จเจริญพรท่านสาธุชนพุท ธ, ธบริษัทผู้ไฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาทมถามตอบคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครมีความสงสัยอยากจะทราบอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญเข้ามาถามได้ในห้องนี้ อันนี้เราก็จะไปที่ตัวเกลียวก่อนเช่นเคยอนักคุณกาบนมาฎการค่ะ น, นาฎการครับอ่าเป็นยังไงครับผมสบายดีนะอาจารย์ถามดูสบายดีอ่อาอบทตอบดีดีใช่ไหมคะอาจารย์ก็ทําไมยังไม่เห็นน้องฟ้าแต่นาองฟ้าเห็นเราครับไปเห็นเรานางฟ้าเลยใช่นางฟ้าเขาไม่ตาที่หูที่ไม่ เล่าไม่มีม เ, เ, เหมือนเขาวโอเนเราแต่เราไม่เห็นคาอ่ออ่าจะชูบมากกินแต่ยังไม่เห็นก็ได้อ๋ออะมีมีคําถามอีกป๊าบโอ้ทําไมมันนูกำมังแย่ตัวแต่ก็แย่ถามพระอาจารย์อีกพระอาจารย์ก็ทำไมำไมันนกกำมังแย่นิดหนึ่งแต่ก็ไม่แย่มากเท่าไหร่คะแย่มากเนี่ยพูดภาษาติลุแย่ พูดทำไมทำม น, นักคุณเ่ยพระอาจารย์คะทําไมมโนกรรมไม่แย่เมา่อเท่าไรจะก็แย่ ม, มโนกรรมังเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นอะไรเลยนะมโนกรรมมโนกรรมะอะค่ะทําไมพูดโธเนี่ยพูดโธเสียจะอาจต้องพุดโธพูดโธไวเ้เขาเขาเขาเขาถามว่าอ่าทําไมมโนกรรมมันไม่ได้ มันอ่าไม่ไ ม, ไม่ไม่บาปเหมือนกับกายกรรมบางหรือว่าวัตกรรมอย่างอื่นก็ยังก็ยังไม่ไปทําความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเข้าใจไหอมหมดยังมหมดแล้วหมดแล้ว อ, อ๋อค่ะก็กลับ ข, ขอบขคุณพระคุณพอาจารย์ก่อ เขาบพรคุณพระอาจารย์ค่ะนอนหับฝันด้นะครับนอนหับฝันดีครับพันดีเขาฟังฟังบทสวดมนต์นะคะก็จะมีวาจากรรมวัณโรคกรรมังเขาก็ถามเรื่องวัณโนกรรมังวาจากรรมังวัจจิกกรรมังมันคืออะไรค่ะแล้วก็สงสัยว่าทําไมแค่คิดมันถึงไม่บาปอืมค่ะพระอาจารย์ยังไม่สําเร็จเพียงแต่คิดเพียงแต่วางแผนยังไม่ได้ไปปล้นเขามันยังไม่ไป ได้ดีไหมคะอือพระอาจารย์บอกว่ามันยังไม่สําเร็จนะครับหรือยังไม่ได้ทําหนูแค่คิดครับพระอาจารย์นโอเคเคลียค่ะพระอาจารย์หนูไม่มีคําถามค่ะโอเคคร<า>ับ <ไป S 2> ขอบพระคุณค่ะ<อ>ไปที่จะมาเ ก, กี่ยวบเจ้าที่ที่ศรีราชารดน้ำมัสการพระอจาจารย์ครับอ่าว่ายัางไงมีการบ้านมาส่งเช่นเคยใช่ไหม เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วมทนความแก่เป็นไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมทนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่มทนความตายเป็นไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆเพราะว่าเราจะต้องรับคลาดจากของลาของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงเรามีกรรมเป็นของของตอน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิด ม, มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย<ม>เราทํากรรมอันใดไว้เป็ น, ปนบุญหรือเป็นบาป เ, เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลผลกรรม น, านามั้นสร็จไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดความจริงคําว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานี้ ความจริงไม่ใช่เรานะเรา Invisible Man ไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตาย <Okay. S 1> ผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายคือคนรับใช้เราคือร่างกาย <Okay. S 1> ร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นคนรับใช้เราเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายแต่เราผู้ใช้ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเฉะนั้นเราไม่ต้องกลัว แต่เราต้องยอมรับความจริงว่าร่างกยายจะต้องขอลาจากเราไปเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องปล่อยเขาไปอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจเพราะเราห้าม <c oughs> ห้ามไม่ได้ส่วนเราที่ทำกรรมไว้เนี่ยนี่แหละเราคือเราคือ invisible man เป็นผู้ทำกรรม ทำผ่านทางร่างกายสั่งให้ร่างกายไปคมโมยของสั่งให้ร่างกายไปฆ่ามดฆ่ามแมลงอันนี้ invisible In man คือเรานี่แะเป็นผลทำเราก็ต้องรับผลผลก็คือความไม่สบายใจความทุกข์ใจต่างๆครัโอเคนะเข้าใจนะจะได้ไม่หลงเข้าใจครับ hmm. แล้วก็ร่างกายเราที่จะต้องการน้องเยียบ ต, ต้งางๆมันมีอะไรบ้างในตัวมันเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยื่ในกระดูกน้ำหัวใจตับปังพืชไตบอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายี่ในสมองศีรษะ น้ำตีน้ำเฉลตน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงาน้ำมันข้นน้ำตาน้ำละเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมังข้นน้ำเงาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเฉลตน้ำดี ยึดในสมองสีสันอาหารเก่าอาหารใหม่ไซน้อยชซใหญ่บอดไตผังผืนตับหัวใจม้ายี่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขผมอ่าเราอยู่ในร่างกายนี้หรือเปล่าในร่างกายนี้มีเราไหมไม่มีครับอันน่้เพราะฉะนั้น ร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกายใช่ไหมใช่คร่ะอ่าเราไม่ต้องไปเจ็บแผนร่างกายนะร่างกายเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปเราไม่ได้เจ็บครับแล้วเราเพียงแต่เป็นผู้รู้รับรู้ความจริงรู้เฉยๆแล้วเราก็จะไม่ เ, เดือดร้อนครับถ้าไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็จะเดือดร้อนอเข้าใจไหมเข้าใจครับอ่าต้องคอยเปลี่ยนใจนะ เวลา<ฯ>ร่างกายเป็นอะไรบอกไ ม, ไม่ได้เป็นเรานะเป็นร่างกายเป็นคนรับใช้เรา<ฯ>โอเคนะคร<ฯ>ับอมไมพร้พมพร้อมที่จะต้องให้เขาไปเมืม่อเวลาเขามาขอลากลับบ้านเขาบอกทํางานไม่ไหวนะเขาขอหยุดก็ียังรอเขาหยุดครับอืมนะท่องพานะค่ะโอเค มีอะไรคําถามไหมไม่มีอะไวครับอ่ไม่มีก็จะได้ไปต่อนะครับอ่าครัคุณพาจางครับอ่าในฮอลแลนด์ประเทศฮอลแลนด์ตอตะวันจูเนียร์ลาธรมการพระเชีงครับอ่าวันนี้มีอะไรไหมครับโอวันนี้แค่เอวันนี้ไม่มีคําถามครับอืมอาจารย้นั่งได้กี่นาทีและแต่แต่ละหนึ่งครั้ง ยี่สิบห้าจ้ะยี่สิบห้านาทีกเลยอืมผมจะทํบสามสิบก็ จ, จะเอาไว้ใต้สามสิบเลยอืดี <Okay. S 1> นั่งแล้วเป็นยังไงคิดหรือเปล่าหรือไม่คิดคิดได้ไหรือเปล่าอืมไม่ค่อยมีคิดครับอ่าไม่คิดนะอยู่กับอะไรอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมเอ่อพุโทโธครับพุโทโธนะอยู่กับพุโทโธคําเดียวใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกเป็นยังไงสบายไหมขึ้นไหม ชอบบาคะอลืมเรื่องต่ตางๆไปหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะอาเวลาไม่มีเรื่องในใจแล้วใจเราจะเบาใจเราจะเย็นอ่ยอย่างยาเอาเรื่องเข้ามาความคิดเราเนี่ยเป็นผู้เอาเรื่องเข้ามาในใจเราคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เรื่อมีความวิตกกั ง, งวลไม่สบายใจต่างๆอ จนจนก็ยาวเข้ามาเหมือนเหมือนเอาไฟก็มาเผาล่างไกลเรานนเนี่ ย, ยใช้พุโทโธไม่ใช้ประสาวะกั้นเอาไว้เปิดเอาไว้มีคําถามอะไรไหมวันนี้ีไม่มีครับไม่เหรอพระอาจ า, ารย์เจ้าคะยมเขอโอกาสพระอาจารย์ยมอยากฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่องสมมุตินะคะแล้วแต่พระอาจารย์จ่านจะให้ดู คือสมมุติกะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งขึ้นมามันเป็นเหมือนนิยายที่เราแต่งกันขึ้นมาแล้วเราครั้งหนึ่งมีร่างกายปรากฏขึ้นมาเราก็เรียกว่าร่างกายนี้เป็นเราแล้วพอร่างกายนี้ไปมีแฟนก็ก็ไปเรียกว่าแฟนเป็นเรียกว่าสามีเรียกว่าภรรยาก็ตั้งชื่อกันไปสมมติกันไปแล้วพอมีลูกมาก็สมมติว่าเป็นลูกแล้วสมมติทั้งนั้น อยู่ความจริงมันก็เป็นแค่ร่างกายเป็นตัวที่มาเล่นละครเป็นบทต่างๆร่างกายนี้เป็นเป็นตัวละครตัวเล่ตัวผู้เล่นผู้เล่นส่วนบทต่างๆก็ร่างกายก็มารับบทคนบางคนเกิดมาก็รับบทเป็นเจ้าชายเป็นเจ้าหญิงบางคนก็มาเล่นเป็นขอทานเล่นเป็นคนรวยเล่นเป็นคนจนเล่นไปแล้วในที่สุดก็จบลง ที่ความตายอเนี่ยคือโลกสมมุติมันก็มีทะเนี่ยเป็นโรงละครใหญ่ที่พวกเรามาเล่นบทต่างๆกันได้ร่างกายมาเราก็เลยใชเอาร่างกายนี้มาเป็นตัวละครแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังร่างกายนี้ก็คือใจเนี่ยใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นหุ่นแต่ละตัวต้องมีคนคอยขายลางคอยบอกให้ทําอะไร พูดที่นี่บอกให้ทํานี้ก็คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพอร่างกายนี้ตายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะใจเชอบเล่นละครชอบมาหาความสุขอย่างรูปเสียงกิ่นรสต่างๆก็เลยต้องไปมีร่างกายร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายใหม่พอได้ร่างกายเหม่ก็จะได้มานึนเล่นละครใหม่ได้เป็นตัวละครใหม่นำ ตามบุญตามบาทที่เราได้ทําไว้บาปบุญเป็นผู้ที่เป็นผู้กากับเป็นผู้ไดีเลคเตอร์ของภาพยนตร์เป็นผู้กำกับว่าคราวนี้มาเล่นบทนี้นะอันนี้มาเล่นบทโ ด, ดยชาติก่อนอยู่ทําความดีอันนี้มาเป็นคนเหน่อยท่านก่อนอยู่ไปคํานองเะไรเขามาช่านนี้มาเล่นเป็นส่นหน้าก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของตําำนำเป็นผู้กํากับให้เรามาเล่นบทต่าง แล้วว่าขณะที่เรามาเล่นบทต่างๆเราก็ทําบุญบ้างทําบาบ้างเงนี้แล้วแต่เหตุการณ์พาไปบางทีเหุการณ์บิดบังคับให้เราต้องทําบาปเราก็ทำหนึ่งบางทีเห็เหตุการณ์มามาบุยบังคับให้เราทําบุญเราก็ทำบุญหนึ่งบุญกับบาปมันก็จะเป็นพูดไปกาหนดพพหน้าชาติหน้าต่อไปว่าจะไปเล่นบทไหนต่อไปกเลย่านี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่รู้ว่าต้นเหตุที่พายเรามาเล่นนี้คืออะไรมีพระเจ้ญญาองค์เนียวที่รู้ว่าต้นเหตุของพวกเราก็คือความอยากหาความสุขจากจากสิ่งต่างๆในโลกนี้หาความสุขจากโลกกระทำห ร, รือลาบยศสารเส ร, รสนราบความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมันก็พายเรากลับมาทำมาที่ไรก็มาหาเงินหาทองกันใช่ไหมหายศหาตําแหน่งกัน ทุกวันนี้ที่โลกนี้วุ่นวายกันราะแก่งแย่งไอสีตัวนี้แก่งแย่งราบยศสารเสรินสุขกันบางทีก็อยู่ในกรอบกติกาไม่เบียดไม่ไม่ไม่ทำผิดกฎไม่ทำบาปแต่บางทีบางคนมันก็ใจหยาบใจสามสามไม่เคารพกฎกติกาหาวิธีด้วยการทำบาปต่างๆเลยทำให้เกิดปัญหาแก่ สังคมขึ้นมาถ้าเล่นตามกฎกติกาก็จะก็จะไปได้อย่างสบายสบายไม่มีปัญหาอะไรไม่มีไม่มีสงครามไม่มีอะไรกันแต่มันก็เรื่องของความอยากมันเวลามันอยากได้แล้วไม่ได้มันก็ต้องดิ้นหาทางเอาให้ได้ไม่ได้เล่ก็ด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ได้ ว, วิธีการทำบากร่ต่างๆแล้วมันก็พาให ไปไปรับผลบาปต่อไปในภพหน้าชาตินาต่อไปก็เล่นกันอย่างนี้มาเรื่อยๆมันลุกขึ้นครั้งกี่ภนะพ ก, กี่ชาติเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกวเราจะมาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าเราอยากจะหยุดเล่นอยากจะหยุดการเป็นตัวละครที่เราเป็นอยู่ขณะนี้เพราะมันทุกข์มันมีแต่เรื่องวุ่นวายแทบไม่ขาดวัน เนื่องให้เราต้องวิตกกังวลหวาดกลัวอะไรต่างๆอยู่ต้องดิน้นรนต่อสู้ระบบภาษาต่างๆ ต, ต, ต้องคอยป้องกันภัยต่างๆที่อาจจะมาทำร้ายชีวิตเรามีนานาทุกข์ที่เราจะต้องเผชิญถ้าเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสียเมืกอเกิดในโลกนี้ลมันได้ได้สุขน้อยกว่าได้ทุกข์ขาดทุนก็ ถ้าเราโชคดีมาเจอคําสอนพุธธทธเจ้าถ้าบอกว่าก็ อ, อย่ามาเกิดก็ตัดความอยากไปให้หมดสิอยากหาความสุขอจากลาบยศสรรเสรินี้ก็ตัดไปให้หมดอยู่แบบไม่ต้องมีลาบยศสารเสริญสุขก็ได้อยู่แบบนัก บ, บวชหาความสุขจากการทําใจของเราให้สงบนิ่งนั่งเลยเราก็จะตัดความอยากต่างได้หมดเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเล่นละครกันต่อไป ผมจะเจ้าหยุดหยุดเล่นละครนะพระสาวองคาจานย์พสาวอ ก, ก็หยุดเล่นละครนะนี่คือโลกสมมุติโลกลองละครเนะี่ยโลกสมมุตินี่ก็คือโลกลองละครเนะี่ยมันใช่นว่าเราเป็นเล่นละครเพราะว่าสมมุติให้เราเป็นนั่นเป็นนี้อ่คุณเป็นเจ้าหญิงนะวันนี้เป็นเจ้าชายนะวันนี้เป็นนายพลน ะ, ะสมมุติจำไป พอละครจบก็เขาก็เอาเครื่องแบบออกจากตัวเราหลังจานกกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้เอาเอายดอดอะไรติดตัวไปกับเราเอาแต่บุญกับบาปที่เราทำํำติดตัวไปเพื่อเป็นคุณสมบัติเพื่อจะได้ไปเล่นบทใหม่ต่อไปก็คนนี้โกงเก่งนะขยัาาหน้าต้องไปเล่นบทโกงคนนี้เป็นคนใจดีขยันหน้าไปเล่นคนใจดีอะไรเพราะ ภาษาอะไรภาษาอะไ่าษค่ะพระอาจารย์แล้วก็อ่า อ, อย่างนี้คนที่ดิ้นมากนะคะพระอาจารย์ก็คือเขายังหลงในสมมุูลยังยังยังคลายไม่ออกใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เลยเขาไม่ไม่รู้ว่าเป็นสมมูลก็เลยเป็นของจริงก็เป็นเรื่องจริงบางทีว่าอ่าไม่รู้ว่าเป็นเลนการเล่นละคร เนี่ยพราะเพราละครจบเพราะตัวละครหมดชีวิตมันก็ก็หมดบทไปก็ไม่ได้เล่นสิ่งต่างๆที่หามาได้เาก็ไม่ให้ออกไปจากโรงละครเนี่ยออกจากโรงละครที่ไปก็ให้ไปตัวเปล่าให้เงินเดือนไปแล้วให้ให้ให้ให้รางวัลแล้วให้ให้อะไรถ้าทำบาไปสร้างนี่ก็เอาเอานี่ติดตัวไป ก็ออกจากถ้าจะออกจากสมมุติได้ก็ต้องทานศีลแล้วก็จิตตภาวนาแล้วกป็ปัญญาธรรมเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์อภาวนาก็มีทั้งทั้งสมาธิทั้งปัญญ า, าธรรมะภาวนาก็สมาธิวิปัสนาภาวนาก็ปัญญาพระอาแล้วก็อีกเรื่องนึ่งยมขอขอนุญาตถามพระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะถ้าจะให้คลาจากสมมุติอย่างเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ให้ให้ละความยึดมั่นถือมั่นก็คือ อ, อยมคิดว่าก็คือพิจารณาถ้าเป็นรูปธรรมก็คือพิจารณาให้เป็นท่าสี่ใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็มันจะได้อนัตตาอานัตตาวิปัสสนาญาณแบบนี้เราก็จะจะคลายตัวนี้ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่สุดแล้วจะรู้แจ้งหมดใช่ไหมะพิจร า, ารณาร่างกายว่าเป็นทาสี่เป็นอาการสามสิบสองไม่มีตัวตนเป็นตุ ก, กาตาตัวหนึง่งผู้ที่มาเล่นบทไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นผู้กรคมผู้สั่งให้บนให้เล่นบทต่างๆขึ้นใจ ค, คือบางทีโยมมันก็มีแวบขึ้นมาว่าแต่ว่าโยมก็ยังเชื่อความคิดตัวเองไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ทีตัวแวบว่าเอ๊ะร่าง ก, กายมันมันไม่เป็นของใครมันเป็นธรรมชาติไม่มีใครไปเป็นเจ้าของแบบนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่โยมก็ไม่เชื่อนะคะพระต้องคดสอบมันดูไปเรื่อยๆมันเป็นของเราเราก็เราก็ต้องสามารถเก็บมาไว้ได้รักษาวไว้ได้ใช่ไหมค่ะเราเราักษาวไว้ได้ตลอดหรือเปล่าแล้วเราถ้าไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายได้หรือเปล่า มันเป็นของธรมธรมชาติธรรมชาติกําหนดมาให้เป็นอย่างนี้แล้วในส่วนของนามธรรมานะคะพระอาจารย์ที่เก็นสภาวะธรรมก็คือสมมติเหมือนกันใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่จะละเอียดขึ้นไปใช่ไหมคะก็นามธรรมามันก็มาเล่นกับสมัมนก็มาเล่นบทกันสะารเนี่ยความคิดเราก็คิดว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่ออืแล้วก็จําไว้สัญญาก็จําไว้ต้องเป็นอย่างนี้เป็นนี้ จำไม่จำบางตายบางคนจําไม่ได้ตัวเองเป็นอะไรความจําเสื่อมหรือมีคนกระทบทางสมองอุบัติเหตุความจําหายไปหมดเลยมนุษย์มันเป็นใครอืมเจ้าค่ะมันก็ทํางานด้วยกันขันห้ามันทํางานเป็นทิ้งงานกายตัวมันตามลําพังมันเป็นมันมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร แต่ตัวที่รู้ก็คือใจที่มีความคิดคาําจำเนี่ที่เกิดมาเนีย่ยเกิดมาแม่ ก, ก็บอกนี่ตะวันหนู ห, หูชื่อตะวันนะจำไว้นะ <c oughs> นเวล่อไหาพูดตะวันจะได้รู้ว่าพูดถึงใครอันนี้ก็สมมุตินะข <c oughs> อะให้ของมาวันนี่อันนี้เป็นของตะวันนะตะวันเก็บมาว่าเป็นของตะวันสมมุติกันไปไม่เป็นของใคร อย่ทุกวันยังก็ต้องดูข้ า, าคืนไปหมดเวลาตายไปเอาอะไรไปไม่ได้ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ของที่นามาด้วยร่างกายก็เอาไปไม่ไ ด, มด้เอาไปได้แต่บุญสมบัติที่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นอ่เป็ น, ปน อ, นอ่คุณสมบัติที่ไปไปยื่นต่อ ภูมินาชานาวเรามีความสคุณสมบัติแบบนี้เราโกงเก่งเราลักขโมยเก่งเราหลอกลวงเก่งหรืออะไระ mm hmm. เขาจะเขาเขาจะไปให้เล่นบทที่เป็นบทของคนที่เหมาะสมกับบทแถวนี้วันนี้เป็นคนดีชอบทําบุญชอบอนะจะให้ไปเล่นเป็นบทพระเล่นเป็นแม่พระพ่อพระไปบรรจัยบุญสุนอรภัไป ก็เล่นไปนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาเจอพระพุทธเจ้าหรือเจอตัวแทนพรุทธเจ้าที่บอกว่าเนี่ยโลกนี้ก็คือโลกสมมุติเป็นโลกชั่วคราวเป็นโลงละครได้อะไรมาันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปหมดคืนโลงละครไปหมดตัว ล, ละครที่เขาไปเล่นละครครับตอนละครโงละครก็จัดเสื้อผ้าให้จัดอะไรให้แล้วก็เล่นไป พอละครจบเราก็ลงจากเวทีสำมั่นเราก็ไม่ได้ อ, อะไรติดตัวเราไปของของของโงละครก็ต้องอยู่กับลงละครต่อไปของที่มีในโลกนี้ไม่มีข่าวติดตัวไปได้สักคนนายรวยขนาดไหนมีมีเงินทองกี่แสนล้านมันก็ไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแล้วก็พระอาจารย์คะเวลาทําสมาธิ ก็คือมันเราก็จะได้สัมผัสอนัตตาใช่ไหมคะเวลาที่มันเหลือแต่อ่รู้เฉยๆขาหายไปแขนหายไปแบบนี้แล้วก็จตุท่าความคิดมันหายไปอันนี้คือพัฒนเกตดีๆก็คือทั้งความคิดตัวสังขารและวก็ร่างกายก็คือมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนคือมันก็คือหายไปชียวขนาดแบบนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือได้สัมผัสอนัตตาใช่ไหมคะตอนนั้นนะคะมันต้องรู้เองถ้าเราไป ค, คิดก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นของจริง S <S มันต้อง เ, เป็นความจริงที่มันรู้มันรู้เห็นขึ้นมาเอง <C han> แต่บางทีคิดว่าตอนนี้ไม่มีตัวตนแล้วมันก็อยากเป็นความคิด <C han> มันต้องหายไปจริงๆให <C han> ้หายไปไหนหมดว่ามีแต่ความว่าง อ, <C han> ง, งอย่างนี้่อรย่างเงี้ยจรงไม่ใช่ว่ า, าตอนนี้เราไม่มีตัวตนแล้วนะยังมีอยู่ถ้าเราคิดพอคิดปุ๊บมันก็ตัวตนครับผมไม่มาค่ะค่ะอาจารย์ การนั่งสมาธิเราต้องการหยุดความชิดหยุดความคิดเป็นเครื่องมือของความอยากพอมันไม่คิดความอยากก็ทําทงานไม่ได้พอความอยากทํางานไม่ได้ใจก็เย็นใจก็จะสงบสบายพอความอยากทํางานปุ๊บใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีจริงค่ะต้องการหยุดความอยาก สัวนจะเห็นเป็นอนนาตาไม่เห็นเป็นอนนาตานี่มันก็ต้องถึงอีกขั้นหนึ่งก่อนถึงเวลาเราไปเจริญวิปัสสนาแล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์แต่และเรื่องวิเคราะห์มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนนาตาเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศเนี่ยเป็นดนนาตาไม่มีใครมาเป็นคนสั่งให้ลมพัดฝนตกแดดออกมันมีเหตุมีปัจจัยที่มา สร้างให้เกิดเกิดอาการากต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแั้นเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพอเหตุปัจจัยหมดไปมันอาการเหล่านี้ก็หายไปฝนก็ฝนตกอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวพอมเมฆหมดแนละ้วฝนหยุดเองมันก็ต้องรอเมฆก้อนใหม่มาต่อตัวก่อนเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยไม่มีใครสั่งให้ฝนตกไม่มีใครสั่งให้เมฆโผล่ขึ้นมามันมีเหตุ มันเป็นการทํางานของธาตุสีในน้ําลมไฟเนี่ยทาน้ําเจอไฟมากๆ ม, มันก็ระเหยขึ้นไปเป็นเมฆใช่ไหมอยู่ที่ไหนที่มันร้อนๆเนี่ยเหมื่อเราต้มน้ำเห็นไหมเห็นเห็นไอไอน้ำระเหยขึ้นมาไหมอันนี้ก็กาศถ้าปล่อยมันก็ขึ้นไปเป็นเมฆท้องทะเลเนี่ยใหญ่ตัวนี้เป็นเหมือนกระทะใหญ่ๆกระทะที่มีน้ําแล้วก็พอโดนแสงแดดโดนไฟนั้น ธาตไฟทอมันก็ร้อนขึ้นมามันก็เลยทําให้น้ําที่เป็นน้ําันระเหยกลายเป็นไอขึ้นมาแล้วมันก็ลอยไปบนอยู่บนท้องฟ้าแล้วเพราะมันจับตัวกันเป็นก้อนเมฆไปพอมันจับตัวกันมากๆมันก็หนักมันก็เลยถูกแรงดึงดูดของโลกดึงพัดตกลงมาเป็นน้ําฝนนะพอมาพอฝนมาตกมาผสมกับดินข้าวอ่ะดินมันมีมันมี มีรากของต้นยา่ามต้นไม้อยู่มันก็ทําใหต้ต้นไม้ต้นไม้ต้นยา่าโผล่ขึ้นมาอีกใช่ไหมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกี่ยวนองกันมันเป็นเรื่องของธาตุสีทั้งหมดอนะโลกนี้เขาเรียกว่าโลกกับธาตุไงโลกที่เราอยู่นี่เป็นโลกกับธาตุ ที่มาสร้างร่างกายสร้างร่างกายของมนุษย์สร้างร่างกายของสัตว์สร้างต้นไม้เนี่นร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์กับต้นไม้ก็เหมือนกันนะไม่มีตัวตนหรอเป็นแต่แต่ละพันธุน์มันมันทําให้มีรูปร่างหน้าตลาลักษณะต่างกันไปทั้นึ้นแต่มันก็มาจากดินน้ําลมไฟทั้งหมดร่างกายนี้ก็ต้องกินน้ำเข้าไปหนึ่ง หายใจเข้าไปเอาลมเข้าไปต้องมีไฟธาตุไฟต้องมีธาตุดินอาหารเข้าไปมันถึงจะเจริญเติบโตมีอาการ32ได้แล้วเราก็มีมีธานุรู้เกิดใจนใี้มามามาครอบครองอีกทีหนึ่งเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำงาน แต่มันใจมันไม่ไปครอบของต้นไม้เพราะต้นไม้ไม่มีตาหูจมูกเล้นกายให้มันไปครอบต้นไม้มีตาหูจมูกเล้นกายถ้ารู้มันก็จะไปครอบของเพราะมันสามารถใช้ตาหูจ ม, มูกเล้นกายเป็นเครื่องมือเสบรูปเสียงกลิก่นรสดได้ถ้ารู้มันมีความอยากเนยอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ต้องไปหาเครื่องมือที่มีตาหูจมูกนิ้งกายเป็นเครื่องมือให้มันมันจะได้เป็นเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้ ถ้าไม่มีตาก็เสพ ร, รูปไม่ได้คนตาบอดนี้ไม่สามารถเสพ ร, รูปได้คนหูหนวกก็ไม่สามารถเสพเสียงได้อท่านที่ไหนถ้าถ้าอะไรที่มีมีตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นน่ะมันจะมีท่านรูปไป้ไปครอบไปครอบก่อนนะทัวนไหน ที่ไม่มีถ้าไม่มีตาหูจมูกนิ้กายจะไม่มีดวงวิญญาณไม่มีตาไปไม่มีใจไปเกาะไปครอบครองต้นไม้ไม่มีภูเขาไม่มีแม่น้ําลําธารไม่มีตาหูจมูกนิ้กายถ้ารู้ไม่ไปมันจะเอาแต่สิ่งที่มีตาหูจมูกนิ้กายมันก็จะไปครอบครองเพราะมันจะได้ใช้ตาหูจมูกนิ้กายเสริมเลือกเสริมกิเลส แต่ทอย่างที่มันมาเกิดในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวมันมารวมตัวกันธาตุสี่ ม, มารวมเป็นต้นไม้ ม, มารวมเป็นร่างกายมนุษย์ร่างกายของตนวันหนึ่งมันก็ต้องแก่เจ็บตายกันไปต้นไม้ก็ยังแก่เจ็บตายเลยแต่เราเพียงแต่ไม่รู้ใช่หมว่ามันแก่เจ็บตายคือธาตุสี่แ ล, ล้วธาตรู้ก็คือ ใจที่มีความอยากมีการว่าตัญหาอยากจะเสการเข้ามาใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือปัญญาอย่างเป็นสมมติทางนค่ะยมจะนำายยำสัจธรรมที่พระอาจารย์สอนไปพิจารณาไปบ่อยรับเบ้าหมาของเราก็ต้องยุติการเข้ามายุ่กับสมมติเลิกเล่นละครอยู่บ้านเฉยเฉดีกว่า ถ้าไม่มีความอยากก็อยู่บ้านได้แต่ถ้ามีความอยากก็มันงวนเวียนนะเวลามีโควิดนี่เขาไม่ให้ออ ก, กนอกบ้านนี้เป็นยังไงวนเวียนกันนะแต่คนที่ไม่มีความอยากอ ย, กอยู่บ้านสบายไ ม, ไม่ไม่อยากไปไหนอยู่แล้วเขาห้ามไปก็ดีไม่สบายไม่ต้องไปพอหยุดความอยากแล้วก็สบายอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมาเสพเพะไม่หิวไม่ไม่ติดอยาเสพติดทั้งนั้นรูปเสียงกินรถนี่ปัญญาเสพติดอันนี้ต่างๆเสพกันติดกันกาแฟก็ติดกันบุหรี่ก็ติดกันซีรีส์ก็ติดกันอะไรติดกันไปหมดอืดูอะไรป้ามันติดแล้วะไรมันติดบางอะไรป้ามันติดแล้วอืกินอะไรก็ติดแล้วอืม พอไม่มีพอไม่มีเสพมันงุนงงไหมมันคนติยาเสพติดนะต้องเลิกให้หมดต้องตัดให้ตัดได้ต้องสร้างพลังจิตขึ้นมาให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิอันนั้นนะคือพลังจิตที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้ยังไงฝึกภาวนากันแต่ต้องตัดความอยากถ้ายังใช้เงินไป ตอบสนองความอยากก็ต้องเลิกใช้เอาเงินไปทําบุญแทนอย่าให้มีเงินมาตอบสนองความอยากรักษาศีลอย่าไปทําบาปอย่าไปตอบสนองความอยากด้วยการทําบาปเพราะมันจะทุกข์าจมาหยุดความอยากด้วยการภาวนาทําสมาธิทํากิจให้นิ่งสงบแล้วพอจากสมาธิมามีกําลังแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่า ยาเบญากกับสิ่งงั้นสิ่งนี้นะมันเป็นยากมื่ยาเสนติดเสพนรอติดเมืนานไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์ก็เลิกเมื่อเลิกเสพได้หมดนะเลิกเสพ ร, ราบยศสารเสพเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่ตางๆอยู่เฉยๆไม่มีความอยากก็ไม่กก็็ใจก็ไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนกันเพราะความอยากเพราะอยากเข้วใจมันไม่เนี่งแล้วใจมันกังวนกังวลกรสับกระสายมุดเหยียดขึ้นมาแล้ว ที่มันยากก็ยากตรงเนี้ยอยากตรงที่ห ย, ยุดจากความอยากจะไม่ค่อยได้ต้องขยันฝึกสติพุโทโธพุโทโธอย่าให้มันคิดอย่าให้มันอยากโอเคนะเดี๋ยวเวลามากกว่านะี้เดี๋ยวคนเื่อไม่ได้พูดขอบคุณขอบคุณนะคะค่อะอาจ้าฉันเหนื่อยว่าไงยินดีตามมีทำเกิดหรือเปล่าแยังอยากโน้อยากนี่อยู่ าารครับอาจารย์นวัตการครับอาจารย์ก็พยายามอยู่ครับอาจารย์คุณไปหาหมอมาวันก่อนคุณหมอบอกว่าลดบ้างก็ได้นะน้ำหนักกับมันจะได้พอดีเต้นเด็กไทย <laughs> ไม่สันโดษนดี่แสดงว่าไม่สันโดษสันโดษครับผมอาจารย์ไม่ไม่สงสิงกับคนมากเท่าไหร่ครับไม่ใช่ก็ให้ทีน้อย ก็พยายามชานน้อยครับผมแต่ว่าบางทีกิเลสมันหลอกว่าเออเดี๋ยวจะพ่อคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจก็อุตส่าห์เตรียมของกินมาให้เรากินไม่หมกินข้าวเยอะกลัวกลัวคนที่เตรียมเขาเสียใจครับจะจชอบแย่งคนอื่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โทษตัวเองไม่ได้โทษทำอย่างของตัวเอง ถ้าเราไม่อยากกินเนราใครจะมาบางังคับให้เรากินได้อยีเลศมันร้ายครับพระเจ <laughs> ้าครับผมพระอาจารย์ก็เป็นอีกหนึ่งการบ้านที่พยายามทําอยู่แต่ก็สอบตกอยู่บ่อยๆต้อ <laughs> งสอบซ่อมอยู่เรื่อยๆพระเจ้าแบบบริโภคพอประมาณนะกวละครั้งก็พอพอประมาณพระพุทธเจ้าฉานวันละมื้อเดียว อาจารย์คงลองลองถือสิงแปรบ้างนครับอาจารย์อันนี้หน้าตากลมเหมือนกับเหมือนกับฟุตบอลแล้วนี่นี่อ้วนนะฮะแต่ไม่ต้องอกนไปครับอ <c oughs> าจารย์ต้อเดียน อาจจะเป็นที่มุงกล้องนะคะพระอาจารย์อ้าวหันมุมใหม่เปยังไงก็ต้องโ ท, งโทกล้องอีกแล้วแมไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงเัยยอมรับครับผมที่เงตัวเองครับกิเลสผเองรครับพระอาจารย์ครับยอมรับทุกอย่างเลยครับแต่ก็ทำต่อนะยอมรับต่ต่อต้องแก้ไขครับครับผม อาทิตย์หน้านต้องลดทางกิโลนะเจอกัาวหน้าต้องบอกได้ลดทางกิโลแนละ้วจะพยายามครับจะจะพยายามทําให้ได้ครับบอกจ่างน้ําหนักดูวันนี้เท่าไหร่น้วนาำหนักวันพรุ่หน้าดูด้วยน้ําหนักเหมือนเท่าไหร่ครับอาจารย์ได้ครับลองกินวันละมื้อด้วย <c oughs> วกินวันละมื้อเจ็ดวันนี้มันต้องลดแน่แน่ โอ้น oh, ั่นได้ครับพระอาจารย์แต่แต่ว่าขอปรึกษาคุณแม่ก่อนนะครับคุกปรึกษาทําไมเวลากินไม่ต้องปรึกษาเลยเวลาจะเลิกกินยังปรึกษาเพราะตัวเรามันมากเกินไปแล้วน้ำหนักมันเยอะกันไปหมอกต้องลดลงนะได้ครับพระอาจารย์ก็พยายามทานให้น้อยลงครับ ก็อันนี้ก็พูดเป็นแนวเท่านั้นเองจะทําให้ทํารื่องอีกเรื่องนะเดี๋ยวจะหาว่าเอราบังทับเราไม่บางทับนะอาจารย์นนโอเคปุญญายสบาดีน ะ, <จ>ะอาจารย์นนยังมาเดี๋ยวอาจารย์ทําไมปัญญายน้ําหลังไม่ขึ้นเหมือนกับน้ํากับทันโดะ มอ่ทานน้อยครับผมน้อยทานตอนนี้ค่ะทานน้อยค่ะสมัยก่อนทานเยอะอย่างนี้สมัยก่อนคุณยายอ้วนนะคะอาจารย์ตอนนี้ผอมลงแล้วแต่ไม่สบายก็ผอมลงผมเลยต้องรับผิดชอบส่วนของคุณยายยายก็ไม่ต้ออะไรมันแต่อยากทานสมัยก่อนนะนะคะแต่แก่แล้วก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่ นี่แหะทานมากไม่ดีแร้วร่างกายมันไม่ต้องการอาหารมากเหมือนเมื่อก่อนอก็ยังระลึกถึงท่านอยู่เสมอนะคะอ่เราเลืกเป็นพุทโธดีกว่าพุทโธพุทโธไปกันระลึกถึงท่านด้วยนะคะโอเคนะขอทุกคนสบายดีนะเป็นที่ราบแข็งแรงมีอีกเรื่องนึงจะกลาบเรียนพระอาจารย์ครับผมพอดีว่าวิชาภาษาอังกฤษครับคุณครูให้ ทำเต็ดีเดชั่นแนให้ทำอะไรก็ได้ช h a l l น n g ์อย่างหนึ่งสามสิบวันผมเลยทำเป็นนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงครับผมอาจารย์ตื่นมาประมาณตีสี่มานั่งครับผมอาจารย์แล้วเป็นยังไงครบหรือยังเออมื่อเช้าเพิ่งวันแรกเองครับเริ่มวันหนึ่งวันพุธครับผมอาจารย์แล้วใครก็ยังมาตรวจสอบว่าเราถ้าเราทำได้หรือไม่ได้ผ ม, ผมอัดวีดีโอตัวเองครับผมอาจารย์เป็นเหมือนไทมสแรดหครับให้เร็ว แล้วก็ตั้งนาฬิกาอยู่ตรงนั้นด้วยให้ครูเขาเห็นว่ามันครบชั่วโมงจริงๆ ม, มันทำให้ใช้ AI ทำแทนเราก็ได้ไมหม <c oughs> นั่นแหละสิครับอาจารย์แต่ไม่ครับอาจารย์ผมเป็นคนซื่อสัตย์อยู่ครับอัดซ้ำอีกถ่ายคนเดียวแล้วก็มาอัดซ้ำทุกวันทุกวันก็ได้ ใช่ครับก็ตัดตัดไอ้ตรงเสื้อแล้วก็ปิไม่เอาดีกว่าครับแพระอาจารย์ไม่งั้นมันไม่ได้อะไรเลยอโอเคนะต้องซื้อใส่กับตัวเองนะอยซื้อใส่อย่าเบโกห ก, กับอลวงค น, นอื่นได้ไม่คุ้มเสียไม่โกหกครับกลับไปทำงานทันได้ก็ถ้าทำได้ก็สาธุ ด, ด้วยนะ เชื่อครับอจรย์หรึ่งลครับไปที่คุณหมอพีเชตติตามคุณเชิดคุณหมอกรรมรำกรรมรมรส ก, การพรอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายาตายก่อนตายครับพระอาจารย์ตายก่อนตายก็คือให้เราสึกซ้อมกันเนี่ะเราเราต้องตายกันแต่เราเหมือนกับเราไม่รู้วิธีตายอย่างสบายให้ตายอย่างไร ส่วนใหญ่เรามันจะตายแบบทรมารย์เงี้ยนะถ้าเราฝึกฝึกขัดตายไว้ก่อนอยู่แบบคนตายนี้มันก็เวลาตายมันก็จะได้ไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนที่ทุกข์กันเพราะว่ามันไม่ได้ทําอะไรเงี้ยเวลาตายอดทําหมดหอดเที่ยวอดกินอดอดอะไรอดอะไรต่างๆคนนี้ไม่เคยอดพอจะรู้จะตายนีมันก็รู้หมืนว่าหวาดกลัวขึ้นมาทรมารย์ใจขึ้นมา เห็นถ้าเรารู้ว่าเวลาตายนี้เราทําอะไรไม่ได้เลยเราก็ลองมาอยู่อยู่แบบคนตายหนิเราไม่ทําอะไรเลยได้วันพระเนี่เราไปอยู่วัดนี้ไม่ไปไม่ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสไม่ไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรอ่านอยู่เฉยๆให้อยู่เฉยๆไม่ไม่เสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปเปรียบวิเวกอยู่คนเดียวเดินดงพรมนั่งสมาธิทําใจให้สงบอันนี้ก็เหมือนหัดตายก่อนตายนะ อยู่ไม่คนตายไม่ไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องเถียงสวยหน้าทําหน้าตาทําเท่าทําผมทําอะไรต่างๆไม่ต้องไปออกสังคมไปพบกับคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปกินไปเดินไปดูอะไรไ ป, ไปงานอะไรต่างๆแต่แล้วองกินก็าจจะให้อนุญาต ก, กินแบบกินยาไปกินพอให้ร่างกายอยู่ได้กินวันละเมื่นอนี่ก็ไม่มีการเสพลูกเสียงกีรด ทีวีโทรทัศนอะไรอะไรต่างไม่เสกหนังสือพิมพ์ข่าวเคาอะไรไม่เสกอยู่เป็นคนอยู่ในโรงเนี้ยจะตายก่อนตายถ้าเราอยู่แบบคนตายเนี้ยเราเวลาตายล้วก็รู้ว่าต้องทําะไรก็ อ, อยู่เฉยๆไปทําใจเราอยู่ไเฉยไปเลิกเสกต่าง ต้องพยายามสึกสอนใจว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายแล้วถ้าเราอยากจะตายโดยที่เราไม่ทุกข์ไม่ไม่เดือดร้อนก็ต้องัดทำตัวเองให้เป็นคนตายตั้งแต่ยังไม่ตายอยุดกิจกรรมต่างๆให้หมดเราจะตายอย่างสบายเพรเราเราเราซ้อมมาละเหมือนนั่งมวยนั่งมวยก่อนจะขึ้นเวทีก็ต้องซ้อชมชกทานนั้นทานนี้ก่อน เวลาจะคู่ต่อสู้จะได้ใช้ท่าต่างๆมาสู้กันได้ถ้าในเช้ามันกลับว่าขึ้นไปไม่รู้จะเอาท่าไหนไมาสู้กคู่ต่อสู้เขาต้องเอาโค้ดที่มามาสอนว่าคู่ต่อสู้เขาจะทํำนี้แล้วเราจะต้องตอบเขายังไงอนนี้กับเวลาตายแล้วร่างกายเราทำอะไรไม่ได้เราจะทำํำยังไง แล้วต้องทำก็ต้องหัดทําให้ได้คือไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆให้ได้เห็นเราเคยฝึกนั่งนั่งอยู่กับเก้าอี้สบายๆไม่ทรมานร่างกายแต่ต้องการต้องการให้ทำ ใ, ให้หยุดทำไม่ให้ทําอะไรให้นั่งอยู่ที่เก้าอี้นั่งจนถ้าเมื่อยกขยับลุกขึ้นมายืนหายเมื่อยกลับมานั่งใหม่จะไม่ให้ไปไหนไม่ให้เดินไปจากที่เก้าอีนะ้นั้น ใจมันก็พุทธะมันอยากจะไปนู่นมานี่นก็ไปไม่ได้เราก็ต้องสู้กับมันบางทีก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธใช้สติใช้สมาธิใช้อะไรต่างที่มีในตัวเราเนี่ยไม่อาศัยสิ่งภายนอก mm hmm. ไม่อาศัยหนังสือมาอ่านไ ม, ไม่ไม่อาศัยเอามือถือมาดูมาฟังอะไรไนมะ่เพราะคนตายดูไม่ได้ฟังไม่ได้ใช้ใจอย่างเดียวใจสู้ความอยาอย่างเดียว ใช้สติใช้สมาธิพอพอนั่งเฉยๆได้แล้วสาหรับใ like ้เอาความอยากมันหมดกำลังแล้วมันเบาอยู in ่แบบคนตายง่ายถ้ามีความอยากมันอยู่แบบคนตายมันจะอยู่แบบทรมานใจความอยากจะทำให้ใจลิ่นจะไม่ใจรุนแรงจะไมใจเพีย อืมเนีต้องฝึกฝักหยุดการเคลื่อนไหวต่างๆการกราทำต่างที่ไม่จาเป็นให้ให้ทำได้แต่เฉพาะนั่งจาเป็นเช่นกินอาหารมันละมึอปวดท้อ ง, งฉี่แล้วก็ง้อไปเท่านั้นเองต่านั้นก็ไม่ให้ทำอะไรอยู่เฉยอยู่จุดเดียวฮะก็ยื่มานั่งรับตัวนั่น น้่งจนกระทั่งมันเมื่อยก็ลุกงขึ้นยืนหายยืนอย่ะจนเมื่อยก็กลับมานั่งเหมือนเดิมลํากําหนดเวลาเอากี่ชั่วโมงดีลองดูจะสู้กับมันได้ที่กลัตายกันก็เพราะไม่ได้ทําอะไรไม่สามารถทําอะไรได้เวลาตายยังไม่ทันตายเวลาเจ็บอันนี้ก็ทุกข์กันแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องอยู่ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลาวัสดนี่ก็เอาใจกันเหลือเกินทำเป็นเหมือนกับโรงแรนเลยมีห้องพักอย่างเหมือนกับไปพักในโรงแรมมีทีวีมีอะไรให้ดูให้เพลิดเพลินต่างแต่มันก็ไม่มีความสุขเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทรมานดูอะไรก็ไม่มีไม่มีไม่มีรสมีชาเหมือนตอนที่ร่างกายเป็นปกติ มันททำใจใสงบอย่างเดียวดีที่สุดทําใจใสงบแล้วความอยาบมันก็ไม่ดิน้นมันก็ไม่ทําให้ใจดิน้ในใจก็จะไม่ทรมานที่ทร ม, มารเพราะความหยาบใจไม่สงบมันต้องสึกขันตายด้วยการทําใจให้สงบให้เป็นเข้าสมาธิให้ได้ลองฝึก ด, ดูดดสิลองฝึกดูดทั้งวันวันนี้จะเป็นคนตายทั้งวันอดู จะน้อมนำไปปฏิบัติครับอาจารย์ครับขอบคุณครับิบีบบนะโอเคไปคนที่ตีมากลับนอนสกการครับ อ, อาจารย์เปพรย่งไร <c oughs> พรุ่งนี้วันพระอีกแล้วค่ะแต่ว่าอาทิตย์นี้หนูไม่สามารถแรกเว้นได้ครัอาจารย์พรุ่งนี้ก็คงจะได้นั่งออฟังไลฟ์ใน Facebook แทนปลืใจฮะค่ะ <c oughs> อย่าตามอย่าตามมาบ้างเลยเดี๋ยว แล้วเวจะเป็เราหวาดกลัวให้มีใครมาตามติดตามตลอดเวลาถนะูกอาจารธรรมะต่อค่ะอาจารย์ตามเช้าตามเช้าตามเย็นเช้าก็ใส่บาทเย็นก็มาเข้าซูมสลางว <ทำ S 2> ันก็มาฟังเทศกล า, าันก็มาฟังเทศที่หน้าขุติสั่งสมบูรณ์กับอาจารย์โอเคค่ะแ <ขอ S 2> ต่ว่าอาจารย์ห้าแข็งแรงนะคะ อ่าคุณศาสตกาชายนาฏประฟังคำนะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะโอเคงี้ก็ไปต่อเลยนะจะได้ไม่เสียเวลามากคนนอนเยอะอ่าคุณอุสากับคุณดุศยางานคาะพระอาจารย์ไม่ไม่มีคําถามค่ะยมยมมีค่ะอาจารย์อ่ามามาคืออ่าเมื่อวันที่สี่ที่ยมไปใส่บาตใช่ไหมคะยมมารอจะ โยมจากโรงแรมมาแล้วโยมมาลองแต่ตีห้าครึงนะะงอะค่ะจนกระทั่งจัดของทุกอย่างโยมก็นั่งที่โต๊ะเฉยๆนั่งนิ่งๆอะคะ่ะแต่เราก็พอหันไปเห็นอาจารย์มาตอนนั้นตีหกกว่าหันเพลนรถอาจารย์แล้วโยมก็หันกลับมาแล้วก็แง่หน้าขึ้นไปนิดนึงแล้วก็มันเกิดแสงสว่างแสงนวลค่ะอาจารย์แสงนวล ส, สว่างไปรอบเลยแล้วก็ความรู้สึกมันคิดออกมาเองว่าความสุขเป็นแบบนี้นี่เองเหรอมันเป็นอย่างงั้นนะคะมันเกิดขึ้นเองโยมนี่คือความสุขของโยมนะคะ แล้วพอ<ม>ยอมไปปฏิบัติธรรมบนบนบนเขามันทุกข์ค่ะอาจารย์มันเรื่องราวต่างๆมันผุดขึ้นมาตลอดห้ามก็เกิดห้ามเรื่องนี้มาเรื่องนี้มันก็เกิดทุกข์ใช่ไหมคะโยมก็เลยยอมแบบไม่ไม่ห้ามแต่ไม่สนใจแล้วโยมไปเจอหนังสือปฏิปฏิวิวสชนาไอ้พุทธวิสชนาค่ะอาจารย์ที่ของพระธรรมเจดีถามแล้วก็หลวงปู่มั่นตอบมาเจอคําว่าทุกข์ มันเป็นสัญญาจบไปแล้วแต่เราเอามาปรุงใช่ไหมคะมันก็เป็นสัญญาขานโยมวอ๋อจริงๆด้วยความทุกข์มันเกิดขึ้นไปหมดแล้วแต่เราเอามาปรุงแล้วถ้าความสุขมันเกิดขึ้นแล้วเราโยมก็ลองเอามาปรุงดูบ้างปรากฏว่าความสุขวันนั้นโยมก็หยิบเอาความสุขที่วันที่สี่ที่เกิดขึ้นกับโยมมาคะ่ะมาปรุงแต่มันไม่สําเร็จค่ะอาจารย์มันไม่เกิดแล้วก็ยุว่าทำไมเราเจอแต่ความทุกข์ที่มาปรุงและสําเร็จอันนี้คือข้อสงสัยของโยมค่ะอาจารย์ กับความอาจารย์ค่ะก็ไม่รู้แหละมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทำไมคือคือสงสัยตรงที่ว่าพอเรื่องทุกเนี่ยทําไมมันปรุงได้ปรุงดีเรื่องเดิมเนี่ยหามาซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่หยิบความสุขที่โยมรู้สึกวันนั้นโยมสุขเพราะว่าถ้าโยนย้อมความย้อนความสุขไปมันความสุขที่เกิดจากการสมใจปัจจนาโยมแต่นั้นคือมันมันสุขแบบมันมันขึ้นในว่าสุขเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอ ไอ้ทำไมมันเราปรุงไม่ได้ แ, แสดงว่าเราถนัดแต่ทุกข์เหรอคะอาจารย์มันจะเป็นอะไรก็รู้ตามความเป็นจริงไปก็แล้วแต่มันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะก <Okay. S 2> ็เราก็ต้องปรุงแล้วก็ต้องทําความสุขใหม่ความสุขเก่าเราดึงกลับมาไม่ได้เราก็ต้องรักษาสุขใหม่ก็ทําสุขใหม่ค่ะ okay. หยมก็เลยแต่ทุกยังไม่ต้องมาสายทุกใหม่เอาทุกเก่ามาก็ได้ตอนนี้รู้แล้วค่ะอาจารย์ว่าทุกอ๋อเรากาลังปรุงค่ะคนเข้าดาวตั้งแต่เมื่อเช้าที่ตอนเย็ยังทุกกับเขาอยู่ไม่แล้วค่ะอาจารย์รู้สึกว่าก็เลยโยมกลับมาแล้วลูกถามไปไงบ้างแม่โยมก็เลยเอาธรรมโอวาทธรรมของอาจารย์มาบอกเขาว่าพี่อาจารย์บอกติให้ดีิติให้ได้ดีไม่ดีเหรอค่ะเป็นโอวาทธรรมแล้วก็บอกลูกว่าความทุกข์ของเราอ่ะมันก็เหมือนกับอาหารแช่แข็ง แต่เราไปหยิบมาจากแช่แข็งมาเวฟเราก็ได้อาหารใหม่เดิมขึ้นอาหารเดิมเรื่องเดิมขึ้นมาค่ะอาจารย์ประมาณนั้นโยมบอกอ๋อความทุกข์มันเป็นแบบนี้ค่ะแต่โยมก็ยังคล่องใจว่าทำไมเราปรุงไม่ได้แค่นั้นเองอ่ะที่ข้องใจติดใจอยู่แบบนี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขาเคได้แล้วค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรจะไม่เอามาไม่ต้องสงสัยมันใช่ไหมคะอืมทำเดิไม่ควรที่จะไปปรุงคนคนจะหยุดการปรุงมากกว่าค่ะ เราอยาจะเจ้ากรรมสุขไม่ต้อยู่ความปรุงไม่ใช่ไปปรุงเรื่องนู้เรื่องนี้ขึ้นมาลองลองคาตัาทูคะาจานันไปหลงทางไปแล้วหลงทางทุกทีเล่หลอให้ปรุงอ่ะกีเร่มชอบให้เราปรุงแต่งอุตสาหะสอนให้พูดทัวพูดทัวไม่ยอามาเอาสักทียอมเอาแต่ปรุงแต่งอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะโยมแค่ทดลองค่ะจานันโยมยมไม่ปรุงค่ะจันพอพ อ, อคิดปุ๊บเอ้ยเรากำลังปรุงตอนนี้จะเจอไหนกําลังปรุงอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ปรุงแค่วันนั้นอยู่บนเขาค่ะแค่เอ๊ะ เราลองดูสิมันไม่ได้ก็ไม่ปรุงค่ะอาจารย์ไม่ปรุงจริงสาธุอาจารย์เค่นี้ดีกว่าพูดโทได้แน่นอนกว่าสุกแน่ได้แน่ น, น, นอนกว่าไม่ต้องไปปรุงให้เหนือ่อยพูดโธพูดโธไปแนะ๋ยวใจสงบมันก็สุก ข, ขึ้นมาแล้วตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์ดนยังไงก็รู้สึกเอ๊ะกำลังปรุงนะกําลังปรุงนะงงนะแต่ว่า จากหนังสือเล่มนั้นทำให้เห็นนะคะอาจารย์รู้สึกมีความสุขมากจริงๆค่ะโอเคค่มีแค่นี้นะโอเคอ่ะสาธุไปที่อาจารย์พรมพิรายเป็นยังไงเอาอดีตมาปรงให้หรูชการพระอาจารย์ค่ะเอาสูงแอดีตมาปรงได้ไหมมันผ่านไปหมดแล้วค่ะเป็นอดีตไปหมดแล้วค่ะ อันได้ถ้าได้ก็ไม่ต้องไปเที่ยวใหม่ทุกครั้งอย่างจะมีความสุขก็คิดถึงการอดีตที่ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่นะก่อนก่อนไปก็มีมีทุกก่อนค่ะก็ว่าจะไม่ได้ไปผู้คนข้างข้างเข้าโรงพยาบาลค่ะวันนีหายก่อนหายทันอ่าอ่าก็กล่าวว่าเป็นไปตามธรรมชาติค่ะอยู่ไหนก็เหมือนกันร่างกายมันก็รู้จักการรับเทสานะตอนนี้ตอนนี้เวลาที่มันหายปุบไปเลย ไม่ไม่รีบหายเพราะกลัวว่าจะเป็นคนที่ทําให้ทั้งบ้านไม่ได้ไปอ่านอ่านอ่นคนทั้งบ้านเลยมีคนทั้งบ้านมอินเซนティブที่อสงส่ได้ไปกาบผ้าจาย์มาลงหน้าค่ะเลยมีบุญมาเสริมให้หายอย่างรวดเร็วอ่ามีอะไรไหมไม่มีไม่มีค่ะก็เป็นไปตามสังขารค่ะก็เฝ้าดูสังขารไปเรื่อยๆว่า มันก็แก่จะตายนะคะอก็เห็นเป็นไปตามธรรมชาชติเราหาตายก่อนตายนึกว่างดีไหมกันนะก็ทําอยู่ว่าอันนี้ก็เห็นเห็นเงื่อนเห็นอยู่นะคะว่าตายนี่อยู่ใกล้ๆเลยแก่ซะกับนิัสการับนัสอ่าไปที่คุณจุบโกเบจุบกนิมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ มาอย่งไรมีอะไรไหมแล้วที่หนูเคยแจ้งพระอาจารย์ไปว่าที่หนูนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเครียดพระอาจารย์บอกให้หนูพุโทโธพุโทโธตลอดทั้งวันหนูก็ลองทํามาทางอาทิตย์แล้ะค่ะดีขึ้นเจ้าค่ะคื อ, อพุโทโธทุกครั้งที่นึกขึ้นได้มันรู้สึกมั่นคงอ่ะคะ่ะพระอาจารย์อืมค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ค่ะรู้สึกว่ามันมั่นคง พยายามทําให้ต่อเนื่องอย่าเลิกอย่าหยุดทําให้มากขึ้นเจ้าค่ะน่าจะเห็นความมหัศจรรย์ของพุโทโธปรากฏขึ้นในใจเราเจ้าค่ะนะมีมีแต่ว่าตอนที่หนูขับรถหนูหนูไม่พุโทโธนะคะเพราะหนูเคยลองนึกพุโทโธพุโทโธแล้วมันจะไม่ไม่โฟกัสกับข้างหน้านะคะ่ะพระอาจารย์อ่าอย่างนั้นก็โฟกัสอยู่กับเรื่องที่เรารทําอยู่เจ้าค่ะแล้วกนะ็ดี ต้องรู้จักใช้เจ้างรู้จักใช้ว่าเวลาไหนควรจะใช้เวลาไหนไม่ควรจะใช้นะเจ้าค่ะจะพยายามฝึกไปเรื่อยๆเจ้าค่ะอ่านั่งสมาธิได้ยังนั่งสมาธิก็ได้อยู่เจ้าค่ะแต่ก็ไม่ได้ยาวถึงหนึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะเราไม่พูดโทรศนะัพท์าาพูดโทรศัพท์ไปเลยเราพูดโทรไปเลยพูดโทรไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะพูดโทรศัพท์ไปเรื่อยๆอยู่เนี่ย เจ้าค่ะอะเดี๋ยวจะลอดูเจ้าค่ะเดี๋ยวหลังจากเรื่องตรงนี้เดี๋ยวหนูจะลองนั่งอีกค่ะโอเคดีครับเจ้าขอบพรคุณช้ะอาจารย์เจ้าค่ ะ, อะโอเคอแม่น้องแม่น้องเหม็นต่อแม่น้องเหม็นกักษาทุตพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ้ะค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะพอดีก่อนหน้านี้หนูสงสัยใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ระหว่าง พระพิสู์ที่ท่านมาดูมาโรงพยาบาลส่งพระสูงอายุกับคารวัตนะคะทําไมพระสูงอายุท่านถึงสติดีความจําดีมากทําไมคารวัตพอเกษียณไปเป็นอัลไซเมอร์กันเยอะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหนูก็เลยเคยสงสัยนะคะพอหนูมาผ่าสมองหนูก็ว่าเอาและเริ่มนะคะมันเหมือนแบบถ้าสงสัยหนูก็จะเป็นเลยพระอาจารย์พอหนูมาผ่าสมองเงี้ยคะ่ะ หนูก็เลยคิดหนูก็เตรียมพร้อมแล้วอะถ้าจะเป็นอัมซเมอร์ผลจากการผ่าสมองหนูก็ตอนแรกหนูเข้าใจว่าจากอวัยวะขาผ่าจา์พอผ่าสมองปุ๊บหนูก็เลยมาอ๋อที่แท้มันเลยมันได้รู้ว่าของการปฏิบัติทำการมีสติเจ้าขาผ่าจา์ที่ทำให้เรากลับมารักษาแล้วเข้าใจขาผ่าจา์ไม่หนูก็เลยว่าอ๋อผล พอดีผลจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์ข้อดีอ่ะคะ่ะทําให้เรามีสติอะคะ่ะพระอาจารย์ถึงร่างกายจะพั ง, งเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อตอนแรกหนูก็นึกว่าเกี่ยวกับอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทําให้เราแบบจําอะไรไม่ค่อยได้หรือเป็นอัลไซเมอร์ไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่หนูเข้าใจแบบแบบนี้เจ้าค่ะเข้าใจถูกไหมเจ้าถ้ามีสติแล้วมันมักจะไม่ลืมมันจะจําได้เ่าเรา<ะ>ทำอะไรเรา เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่พอ ร, รู้มันก็จดจําอยู่ในใจเราแต่บางคนทําแบบใจลอยบางทีไม่รู้กินกินอะไรไปได้ล่ะอย่างกินยาอันนี้ไปล่ะอย่างบางทีก็ไม่รู้เวลากินยาก็าคุยคนนั้นคุยคนนี้พอกลับมาดูอีทีเมื่อกี้กินยา น, นี่ยหรือเปล่านใช่ไหมเพราะไม่มีสติอยู่อยู่กับการที่สิ่งที่เรากําลังทําอยู่ถ้ามีสติอยูจะรู้ อ, อ๋อกินแล้วยาเนี่กี่แล้วทำแล้วแปลงฟันแล้วนะไ บางคนแปลงความเสร็จสักพักลืมไปแล้วเมื่อกี้แปลงความหรือเปล่าเพราะเวลาแปลงคันไม่ได้อยู่กับการแปลงฝันไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไปเนี่ยถ้ามีสติแล้วมันจะไม่ลืมมันจะมันจะรับรู้กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีตลอดเวลาพอรู้มันก็มันก็จะจำได้มันจะติดอยู่ในใจ แต่ถ้าทำอะไรแล้วไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวจําไม่ได้แล้วว่าเมื่อกี้ทําอะไรมาก็ือเปล่าใช่ตัวขาดจานบางี่เอาแบบเอาของวางไว้ตรงไหนบางทีก็จําไม่ได้เมื่อกี้วางของไว้ตรงไหนวะใช่เจ้าของเพราเวลาวางไม่ได้คิดว่าไม่ได้รู้ว่ากลังวางขณะวางของไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ใช่ครับะจะลืมของการมีสติมันจะทําให้เราลืมยาก มันยังลืมได้อยู่มันชนเนี่ยมันก็เกิดจากความเสื่อมของสมองทำให้ระยะความจำมันมันจะสั้นลงสั้นลงแต่ถ้าเรามีสตินี่มันจะมันมันจาการไม่ถึงเสื่อมขันขั้นแบบหลงเลยมันจะไม่หลงเืมแต่มันก็ยังพอจะลืมอยู่อย่างนี้บางทีชื่อคนบางทีไม่ได้ใช้ในเรื่องนานๆบางทีก็ลืมได้ใช่จ่าครับอาจารย์ตอนที่หนูผ่าสมองรอบแรกหนู อุษาท่องบทสวดจำได้หมดนะเจ้าคะพอฟื้นขึ้นมาหนูจำได้แค่พุทโทค่ะพระอาจารย์บทสวดหลายๆบทที่ท่องมาตลอดปฏิบัติมาตลอดลืมหมดเลยเจ้าคะ่ะมาได้แค่วคือพุทต้องมาเรียนใหม่ต้องมาหันเหมือนเหมือนเกิดใหม่เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องมาฟื้นร่างกายใหม่เลยเจ้าคะ่ะจะต้องปฏิบัติต่อเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่า หนูก็เลยมาเจอข้อดีเนี่แหละค่ะว่าของการปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเจอพระอาจารย์พูดเกี่ยวกับธรรมะโอสถหนูถึงแบบอ๋อธรรมะโอสถ ด, ดีแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์โดยที่ไม่ต้องทานยาแล้วแต่ว่ามีแรงเยอะมากแล้วถ้ า, ถ, าถ้าใจหนูดีขึ้นร่างกายหนูก็ดีไปด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ตัว อ, อย่างใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าใจดีแล้วทุกอย่างมันดีตามเลยตอนใจไม่ดีฮ ทุกอย่างก็ไม่ดีไปหมดสองทูสค่ะอาจารย์โอเคนะเจ้าค่ะไปที่คุณสุภัตาเท็กซัสเนหนาวมากเนะี่ยเห็นอ๋อหนาวเจ้งกลันอวาการพระอาะจารย์อเมริกาเจ้พายุหนักช่วงนี้เจ้าค่ะพี่ผ่านมาสองสมวันพายุหนักเจ้าค่ะก็ที่นี่ก็ลบเยอะเจ้าค่ะลบพอควรเลย เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะวันนี้อ่าสาธุขอ่ะพี่คุณหมอภาชนะที่กทมยันตอนนั้นมาสการค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรคถามค่ะพระอาจรย์ยังสงบแล้วก็สบายค่ะอาจารย์มีพระอาจารย์เพระอาจมนมีอันหนึงคือว่าตอนนี้ก็คือดูดูที่ใจแล้วก็จะจะดูห้างน้องก็เป็นดูเป็นไตรักไว้ตลอดมันก็เลยทําให้สงบได้อย่างนี้ก็ถูกต้องนะอาจารย์ ด้านใจสงบก็ใช้ได้เพราะการปฏิบัติก็เพื่อให้ใจสงบให้ปลคบรดวางไปที่กุณเณรเชียงรายต่อคุญเณรการรำกรสมรอาจารย์ครับผมวันนี้เข้ามารับฟังครับอาจารย์ครับก็ยังปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ครับอี่อาจารย์อย่าทิงนะของดีของวิเศษนะ โอ <schöne S 2> ไม่ไม่ทิ้งแลครับพระอาจารย์ครับไปบัติตามคําสั่งสอนของพระอาจารย์นะครับไปบัตรทุกเช้าก่อนนอนนะครับทุกวันครับพระอาจารย์อยากบากยังไงก็ไปบัตรครับพระอาจารย์ครับง่ายดี่ครับก็คงาอะไรดี่อาชาจะออกจากงานแล้วเหรอวางแผนจะลาออกจากงานแล้วเหรอหนูวางแผนไว้เจ้าค่ะแต่ว่ามันก็เรื่องนี้อะค่ะก็แต่ก็คิดว่าว่าต้องก็อยากจะลาค่ะ ก็สองจิดสองใจเจ้าค่ะอันเช้านี้ก็มียมผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกเขาก็บเราทำงานแล้วก็มอามาปฏิบัติทำดีกว่าได้ได้กำไรมากกว่ททำงานเงินที่ได้สูุ้สู้ธรรมะที่ได้ไม่ได้หนูก็ก็คิดอยู่ค่ะลุกหนูเาก็เป็นห่วงอนาคตเขาอะไรเนี่ยเพราะหนูเป็นเป็นกำลังหลักสำคัญของเขาและของบ้านเลยค่ะ พอออกปุ๊บเขาก็จะกังวลว่าเขาเก่งว่าเขาแบบเขาต้องเขาต้องช่วยเหลือตัวเองอะไรเงี้ยหนูก็เลยพยายามจะทำให้ดีที่สุดค่ะวันนี้หนูไปไปสาตแรงงานมานะจ๊ะค่ะไปช่วยโอนอร์เก่าที่ที่โรงแรมเก่าอะค่ะไปเป็นพยานให้ให้กับเคสเคสที่ที่ที่ที่หนูอยู่ที่นู่นน่ะหนูก็ใช้ใช้สติ พยายามใช้สติอะค่ะพยายามทําให้มันถูกต้องที่สุดแต่ว่าก็โชคดีที่โจทย์เขาขอไก่เกียรก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยอะไรเยอะค่ะไปรอเป็นพยานทีนี้ในช่วงระหว่างนั้นมันมันมันขึ้นมาหมดเลยระหว่างที่รอเห็นเห็นโจทย์เห็นพยานเห็นทุกคนที่ไปมันเป็นเรื่องของเออ่ความอยากเรื่องลาบยศสรนเสริญอะไรอย่างงี้ทั้งหมดเลยรวมทั้งตัวเราด้วยค่ะ แต่ว่าก็พยายามของฝั่งเราก็คือพยายามทําให้มันเป็นเอมีพรมวิหารสี่ให้มากที่สุดก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีพอหมดช่วงวันค่ะก็เลยคิดว่าเออ่ลางานมารับไปไปวัดไปทําบุญที่บางแสนแล้วก็ไปจบที่เอวัดเขาพระครูค่ะขึ้นไปนั่งสมาธิจนถึงเย็นมันก็ก็ทําให้เราเห็นความแตกต่างค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าเรายังอยู่บนโลก โลกการทํางานหรือว่าสองคมอยู่มันก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอแต่ว่าถ้าเราไปไปสิกไปอย่างเงี้ยเราก็จะพบความสบายความสงบื่องของผู้คนเนี่ยก็วุ่นวายเนอมีแต่เรื่องวุ่นวายโลก<ม>ของนั่งบวชก็เป็นโลกของความสงบหนูก็หนูก็ใฝ่ใฝ่หามากเลยจนหนูรูสว่าบองทั้งมันเป็นความอยากของหนูผมผมจนทําให้แบบ ไปทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจหรือเปล่หรือคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า<ม>ทุกค น, คนก็กเขาไม่สบายเพราะเขาไม่เขาเข า, เขาไม่ยอมเพึ่งตัวเขาเองถ้าเกิดเราตายไปก็จะทําทังไะหนูก็บอกเขาอยู่ว่าบางทีแม่ก็อาจจะตายไวก็ได้นะบงทีบอกหนกกูก็ต้องบรู้จักต้องต้องหาวิธีช่วยเหลือตัวเองอนะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าหนูก็รับได้อนะไรเงี้ยเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะเรีบเรียนให้เร็วที่สุดถ้าเรียนแล้วก็แม่ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วลนะอะไรเงี้ยก็หนูก็คิดว่า มันเป็นช่วงช่วงเวลาที่ถ้าเรายังสาบสนเขาได้อยู่ก็จบแต่ว่าถ้าแม็กซิมั่มสองปีจบเลยค่ะ <Okay. S 2> ขอบ <Okay. S 2> พระคุณทำพระจารย์น ะ, ะหนูยังหนูใช้ทำพระจารย์ในการดําเนินชีวิตมาตลอดเลยค่ะแล้วก็อ่ทําสิ่งที่เป็นความทุกข์อะค่ะแล้วก็ทุกจับพนักงานที่เขาเอามาปรึกษาเราอะ่ะเรามาเมื่อก่อนเราเห็นความทุกข์เขาแต่ตอนนี้หนูเอามาเปรียบเทียบ ว, ว่า ถ้าเราเป็นทุกแบบนี้เราต้องเราต้องดำเนินยังไงคะมันก็ทำให้หลงมีสติมากขึ้นค่ะดีจ้ะโอเคครับขอบคุณค่ะอะคุณชันนี่แมนครับได้ยินไหมคุณชันนี่ไม่อยู่แล้วครับไปก่อนล้วเราไปที่คุณแนนอุนอนก่อนเดคุณชันนี่มาแล้วกมาที่คุณชันนี่ก่อนการอภิษการพระพระอาจารย์มารวมฟังคำธรรมค่ะไม่มีคำถามค่ะอ่าสาธุ ไปทีค่คุณคนณแดนอุนนท์ธานีค่ะค่ะสมัชสแกนรไทยแพทย์อาจารย์ร่วมฟังถามค่ะไม่มีคําถามค่ะโอเคทุกตัตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่พังงาหรือยู่งงออยตอนนี้ดจมากเขาหลักแล้วค่ะพระอาจารย์หค่ะก็เ อ, อ่อหนูมีคําถามค่ะพอดีว่าวันเสาร์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์หนูฟังเทศพระอาจารย์เรื่องขันห้าแล้วก็มีถามคําถามไปแต่ว่าหน้าปุติคําถามแน่นค่ะพระอาจารย์เวลาหมดมค่ะ ก็มีคําถามจากคุณหมออะค่ะเอ อ, เ อ, อที่พระอาจารย์เคยสอนว่าเราเป็นทาตรู้แต่ธาตรู้ไม่ใช่เราอะค่ะหนูไปกลอฟังประมาณห้าหกรอบค่ะพระอาจารย์มันสนุกมากเลยแต่อาจจะไม่เข้าใจหมดนะคะทีนี้หนูอยากจะถามพระอาจารย์ว่าที่พระอาจารย์บอกธาตุารู้อะมันก็เหมือนธาเอ่อดินน้าไฟลมแต่มันแต่งนิยายหลอกตัวเองว่ามันเป็นเราเก็แสดงว่ามันเหมือนกับธาตรู้ก็เหมือนดินอย่างนี้มาคะพระอาจารย์ที่ มัน ก, <g rain> ก็ก็เป็นเป็นดินทั่วทวไปเลยมันไม่ได้มีสมมุติอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ <c oughs> มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความสามารถของมันในตัวของมันเองชตอนนี้มันมีความสามารถที่รู้อะไรต่างๆได้ธา <c oughs> ถ้าดินนี่มันไม่รู้อะไรมันมีความสามารถที่เป็นของแข็งอะไรเงี้ยธาตุแต่ละอย่า ง, <c oughs> าางมันมีความสามารถต่างกันไปธาตุน้ <c oughs> ํานนมันก็มีความสามารถเป็นของเหลวอะไรนี้ไปอ่า <c oughs> <c oughs> แต่มันเป็นของธรรมชาติมันไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครสร้างมันขึ้นมามันเป็นข่งที่มีอยู่ดั้งเดิมธาตุทั้งหกนี่มันเป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมที่เป็นส่วนประกอบของโลกทั้งหมดเนี่ยมาจากธาตุทั้งหกนี้กาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้แล้วก็อวกาศธาตุทีนี้ธาตุรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์นี่คือท่านยังคงเป็นยังเป็นธาตุรู้อยู่ แม่ดัพนพยายามพยายามไม่หลงวนะ่าหยุดหยุดไอ้ตัวที่มาปรุงแต่งหลอกหลอกตัวเองว่าเป็นนู่นเป็นนี่อะไรไม่รู้ว่าตัวเองที่แท้จริงเป็นเพียงแต่ผู้รู้เป็นท่ารู้เฉยๆนั่นเ่งก็คือเจอเจอเจอตัวเองเจอท่ารู้ตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะจะรู้ว่าเมื่อก่อนที่ตัวเองหลอกตัวเองหลงตัวเองในสมัยก่อนที่หลอกตัวเองไปคิดว่าโลกนี้แบนค่ะอือ ค่ะแล้วก็หนูจะถามพระอาจารย์เรื่องการปฏิบัติอะค่ะอ่ะมีมีคนถามหน้ากุติเหมือนกันคือหนูนั่งสมาธิอะค่ะเมื่อก่อนก็จะสลับเออ่พุโทโธแล้วก็ดูลมอะค่ะสมมุติว่าพอเริ่มเบื่อเบื่อก็จากพุโทโธก็ไปเป็นดูลมดูลมแล้วสลับมาเป็นพุโทโธแต่พระอาจารย์บอกว่าให้เลือกอย่างไรอย่างหนึ่งไม่อย่างนั้นก็คือมันมันจะไม่เหมือนไม่สําเร็จประมาณนี้ค่ะห้ามเปลี่ยนม้ากลางคันประมาณนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็โดยโดยหลักทั่วไป เช่นทศวรรถ้ า, าเราเริ่มต้นอ่ะใจเรายัางไม่มีสติกำลังพอหรือใจเราฟุ้งซ่านมากอาจจะดูลมไม่ได้เราก็สายพุโทโธไปก่อนหรือสวดมนตไปก่อนจนกระทั่งรู้สึกว่ามันเริ่มมีสติมากขึ้นใจเริ่มสงบลงความฟุ้งซ่านน้อยลงก็ลองหันมาดูลมต่อเพราะว่าการอยากเข้าสมาธิได้มันต้องดูลมมันจะดีกว่า อืมก็พ อ, อช่วงหลังนะแต่ถ้าเราใช้พุโทโธเราก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ได้พุโทโธไปตนะั้งแต่ต้ตนไปจนกระทั่งจบม้วนเดียวจบก็ได้พุ<ต>ทโธนี้สามารถช่วยช่วยระ ง, งับความฟุ้งซ่านได้แล้วหลังจากหายฟุง้งซ่านถ้าทําต่อไปมันก็จะทําให้จิตรวงได้แต่ถ้าส่วนมนอย่างถ้าส่วนมนนมี้รวมไม่ได้ทิศส่วนน<ต>ี้จะช่วยระงับความฟุ้งซ่านได้พอถึงจุดหนึ่งก็ต้องหยุดส่วนแล้วก็มาดูรวมต่อหรือพุทโธต่ออย่างเดียว หนูรบกวนสอบถามได้ไหมคะอย่างวิธีพระอาจารย์ปฏิบัติตอนที่เป็นคาราว่านะคะพระอาจารย์ใช้ดูลมหรือว่าพุทโธะคะพระอาจารย์เราดูลมแต่ก่อนบางทีเราต้องนั่งส่วนสวดบทสติปัฏฐานสี่อยู่ในใจเกือบครึ่งชิบเกือบสี่สิบนาทีแล้วหลังจากสวดเสร็จแล้วเราก็มาดูลมไนดะ้ตอนเริ่มต้นดูไม่ได้ใจมันฟุ้งใจมันคิดแล้วก็ดูลมอย่างนั่งจิดมันสงบ แต่บางครั้งถ้านั่งเราเจอทุกขเวทนาดูลมไม่ไหวก็ต้องมาใช้คำบริกรรมแทนก็คือสามารถสลับสลับได้แล้วแต่สถานการณ์อย่างนั้นนะคะเพราะตอนนั้นมันดูลมมันมันสู้ไม่ไหวเราไม่อยู่อาไม่อยู่มันจะเป็นเพราะเดี๋ยวเราใช้คําบริกรรมคำบริกรรม่าทําให้จิตมันนิ่งได้แล้วก็ส่วนการเดินก็คือพุโธใช่ไหมคะพระอาจารย์ การเดินก็ได้สองอย่างือพุทโธแล้วดูเท้าเราก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะต้องพุทโธเราก็ดูเท้าเราซ้ายขวาซ้ายขวาไปการเดินก็เพื่อคอนนะครับความฟุ้งซ่านต่างๆคิตฟุ้งซ่านนะครัความคิดปรุงแต่งก็คือมัน a s s i ์จ job ให้มันดูเท้าอย่างเดียวเลยไม่ต้องให้มันทําอย่างอื่นใช่ซ้ายขวาซ้ายขวาไปไม่ต้องไม่ต้องเดินช้าๆแบบที่ก็หัดเดินครับก้าวหนอยกหน อ, หนอวางหนอมันนั่นแหมันมันผิดธรรมชาติเลย หนูจะบอกว่าครั้งแรกที่หนูไปวัดยาณ น, นะคะหนูฝึกฝึกแบบนี้มาก่อนใช่ไหมคะหนูไม่ทราบแล้วหนูก็ไปไปเดินจงกรมวันแรกค่ะคือแรกที่ปฏิบัติธรรมที่วันแล้วบอกวเหมือนอ า, าจารย์สอนมาลุ้งขึ้นนะคะหนูก็เลยเอานี่ปฏิบัติผิดมาเป็นสิบปีเลยค่ะอาจารย์ก็มไม่ผิดหรอกเงแต่ว่ามันมั น, ม, นมันไปไม่ถึงไหนอะใช่ใช่ใช่มันก็อยู่ประมาณนั้นมันไม่ก้าวนะค่ะ ม, มันต้องเป็นแบบธรรมชาติ ทำอะไรทุกอย่างมีสติรู้ทันกับเราเรากําลังทําอะไรอยู่เพราะในช่วงที่เราไม่เดินจงกรมเราก็สามารถดูการเคลื่อนไหวการทําลายของร่างกายได้นนกำล<ะ>ังจริงนาำไรก็ต้องจะระสติทุกเรยาบทเนี่ยค่ะผมก็ตอนนี้ก<ม>็ไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่เวลากินก็ยกข้าวขึ้นมางคำหนึ่ง <c oughs> ข้าปาดเนาะเคี <c oughs> ้ยวเนาะกืนเนาะอะเรพวกนี้อยู่แล้วไงเฉย พี่หัวเราะนี่จะทํำไาแล้วนะคะพระอาจารย์หนูก็โอ้ทํามาแล้วค่ะพระอาจารย์ใจมันเร็วกว่าร่างกายตรงเยอะแยะไปใจมันตามทันหรอกร่างกายจะทําอะไรท่านถ้ามันจะดูจริงๆมันทันที่มันไม่ทันา็มันไปคิดเรื่องอื่นมันก็เลยเหมือนก็ไม่ได้ดูนั่นเองค่ะแล้วก็หนูจะถามพระอาจารย์ค่ะตอนนี้หนูนั่งสมาธิคือเปลี่ยนเป็นวิธีดูลมใช่ไหมคะแต่หนูจะมีเทคนิคนิดหนึ่งอันนี้พระอาจารย์ช่วยแนะนํานะคะว่ามันมันถูกหรือเปล่าคือ หนูนั่งดูลมสักพักหนึ่งอะค่ะแล้วหนูก็จะเหมือนเรามโนตัวเองอะค่ะว่าโอเคคือเราจะด i s c o n n e c ธาตุเรากับกับร่างกายนี้ค่ะอาจารย์เพรนั้น่มห้ามคิดเด็ดขาดห้ามคิดเด็ดขาดเล้วก็เหมือนกับไปเริ่มต้นแบหม่ห้ามคิดก็คือถ้ามันมันมันจะ d i s c o n n e c ก็คือให้มันเป็นเองตามธรรมชาติขอมันเองเดี๋ยวถึงเวลามันจะแยกของมาเองมันจะรวมมันรวมของมาเองเรามาทำมันไม่ได้สั่งมันไม่ไม้ทำ้ไที่อย่างเดียวก็คือดูลมอย่างเดียว ไม่ให้เสิร์่ให้ทิ้งน้ค่ะแล้วก็เออที่พระอาจารย์เอา่าบอกบอกคําถามไปก่อนหน้านี้ค่ะพอดีหนูอ่านพระอาจารย์สอนเทคนิคว่าให้ลองซ้อม น, นั่งบนเก้าอี้แบบนิ่มๆค่ะสักหกถึงแปดชั่วโมงแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะค ะ, ห, ะหนูว่าจะลองทํำแชร์น์ดูค่ะพระอาจารย์ว่าจะได้สักกี่ชั่วโมงค่ะยังไมา่าถ้าปวดท้องฉี่ก็ไปเข้าห้องน้ําได้แต่ยังจะ่เทเลทอะไรเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับมานั่งที่เดิม ค่ะเดี๋ยวเดยวหนูเทศสมารางานผลแล้วก็หนูรู้สึกว่าถ้าเหยื่น้ําก็เอาน้ํามาไว้ข้างๆแต่ห้ามเดินไปหยิที่ตู้เย็นใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องไปไม่ให้ไปไหนให้นั่งอย่างนั้นใช่ไหมย้อนไปเวลาจะเข้าห้องน้ําอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะน้องน้องน้องสันโดษที่พระอาจารย์พูดเรื่องการกินหนูก็สะดุ้งไปหลายยกเลยค่ะทีนี้หนูมีกิเลสนะเรื่องการกินกับพระอาจารย์หนูหนูรู้ตัวเองค่ะแต่มันยับยังไม่ได้ทีนี้หนูอ่ะจะ จะทำชาเลนจ์กับอาจารย์โดยการจะลองดื่มน้ํามะพร้าวอย่างเดียวอะค่ะ14วันโดยไม่ทานอะไรแบบนี้นี่ถือว่าเราเราอดอาหารไหมครัอาจารย์ <อด S 2> หรื อ, อยังกินอยู่อดก <อด S 1> ินนะคะนี่เรียกาผ่อนที่แล้วกันผ่อนเด้นย้ำว่าอดมันต้องไม่กินอะไรเลยเพราะมะพร้ามม่มันมีมันมีเนื้ออยู่เราจะกินเนื้อมะพร้าวด้วยใช่ไหมไม่ไม่สนมทานแต่น้ํากับอาจารย์ทานน้ำก็ถก็ถือว่าอดได้เพราะไม่ได้กินอาหารเป็นการดื่มน้ําน้ํามะพร้าวอย่างเดียว ค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูค่ะมูหรือจ่าเดี๋ยวพุทธนาเข้าซูมหนูจะมารายงานผลนะคะอาจารย์อ่างานเดียวเวลาบางทีต้องตั้งเป้าหมายไว้มันถึงยาวทาถ้าไม่ตั้งเป้าไม่มีท้าทายตัวเองมันก็ทำไม่ไดเรื่อยๆมันก็ไม่ก้าวหน้าใช่ไหมใช่ค่ะหนูกะว่าหนูหนูจะน็อกมันสักทีค่ะรอบนี้เพราะหนูมีปัญหาเรื่องการกินน่คะหนูคควิดเองไม่อยู่ด้วมันจะน็อกเราก็ไม่รู้นะ เนี่ยเขาจะพูดนะแน่นอนกับอาจารย์มันต้องมีเครื่องมือด้วยต้องพยายามนึกถึงปฏิพูลถัดเจริญปฏิกูลนึกถึงสภาพของอาหารที่เข้าไปในร่างกายแล้วว่ามันเป็นยังไงเวลามันออกมาหน้าตามันเป็นยังไงเวลาทานหผมก็พยายามทําที่อาจารย์สอนนะคะว่าเคี้ยวมาพอมันอยู่ในท้องรวมกันเป็นยังไงอาหารใหม่อาหารเก่าแต่มันยังคงกินได้อยู่ค่ะอาจารย์ก็ถวาเวลา เวลาเคี่ยวอยู่ในปากแล้วลงทายวันหนูก่อนแล้ค่อยตัดกลัไปเข้าไปกินใหม่เนาะอันนี้อาจจะไม่ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวหนูจะลออันนี้น่าจะไม่ได้ครับอาจารย์อันนีมันอร่อยเหลือเกินเ้ยไหนขอดูหน้าตาก่อนแล้วเป็นยังไงหน้าตาดีอันนี้น่าอันนี้น่าจะเวิร์กกับอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ก็มีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวยังไงพูดหน้าหนูมาแรงงานผลหรืการอดอาหารนะคะอาจารย์ถ้าอดมันต้องมีสติมันต้องภาวนาถ้าอดเฉยเฉใช้ความอดการันต์สู้ไม่หวเลย ก็ก็พอดีว่าช่วงหนูย้ายของเสร็จหนูเริ่มนั่งสมาธิกับพระอาจารย์พอหนูนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ากําลังของจิตที่พระอาจารย์บอกมันเริ่มมีค่ะมันอาจจะไม่เยอะแต่เริ่มมีรู้สึกว่าอ่านั้นเราใช้วิธีนี้ดีกว่าอย่าเงี้ยค่ะพอาจารย์อย่าอดอย่างเร็วนะไม่เกิดประโยชน์มันต้องอดเพื่อภาวนาเพื่อฝึสติเพื่อนั่งสมาธิก็ก็หนูหนูนั่งทุกวันเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ออฟฟิศรหัสพีกับบ้านอยู่ไม่ห่างกันก็ชั้นบนก็จะมีห้องพระอาจารย์ พอเวลาว่างหนูก็จะขึ้นไปนั่งสมาธิก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีการภาวนานะอย่าอย่าไปอดเชเชยพระเจ้าสออี่รึงเก้าวันมาแนละ้วไม่ไไเลยประโยชน์อเลยค่ะอาจารย์จะน้อมนํำปฏิบัติค่ะโอเคสาธุค่ะคุณคุณยมหญิงวิไลพรเป็นยังไง นมัสการเจ้าค่ะพรอาจารย์ลูกสาวเป็นยังไงบ้างทำใจได้ไหมเมื่อกี้เขาก็มาค่ะหลานก็มาแต่ว่างงแง้งงูน่าจะง่วงนอนกันเลยพาเขาไปนอนแล้วค่ะอืมค่ะก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะพรอาจารย์ก็ดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็คุมน้ําตาลอยู่ค่ะก็อยู่ในคอนโทรลของพ่อแม่ค่ะอยู่การให้อาหารแล้วก็ต้องเช็คน้ําตาลตลอดเวลาค่ะว่าขึ้นลงเท่าไหร่เนะค่ะพรอาจารย์อค่ะก็ต้องทําไปตามตามตามหน้าที่นะใช่ค่ะ ไม่ยังถือว่าดียังรกักษาได้ไม่ไม่ไม่ล้มหายตายจากไปใช่ค่ะก็กหน่อยเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเลยค่ะพระอาจารย์จนจ น, จนตลอดชีวิตของเขาอะค่ะมันก็ดีอย่างมันก็ได้ค่ะมันก็มีวินัยมามีสตินนทําอะไรเขาก็ต้องคิดห่อยใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วโยมหญิงเอ่อมากับเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะกลัวพระอาจารย์ว่าเหมือนกันโยมหญิงจะไปบวชชีเจ้าค่ะเอ่อบวชสิบ สิ 15, ประมาณสิบกว่าวันเจ้าค่ะพระอาจารย์พอิีจะตามหลวงพ่อสุรศักดิ์นะคะพอดีท่านท่านมีไปอินเดียก็ไหนไหนไปอินเดียแล้วโยมหนิงก็ขออนุญาตไปอินเดียเจ้าค่ะกลัวพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์บอกว่าไปอินเดียไม่ไม่จําเป็นต้องไปอินเดียแต่โยมเลยบอกว่าโยมขออนุญาตพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้เราเราอนุญาตหรือไม่อนุญาตมันไม่เกี่ยวกับเราอย่าอาจจะกลัวพระอาจารย์ป า, อ ย, าอย่าจะอย่าจาับเราไปเป็นเป็นเหยื่อเราไม่ยอมรับไม่เกี่ยวกับเราคนจะทำอะไรก็ทําไปคนเคนรับผลไม่ใช่เราใช่ค่ะว่าจะแต่ว่าจะโดฟังแทศพระอาจารย์ตลอดว่าหลวงปู่มันไม่เห็นจะท่านบรรลุธรรมไม่จำเป็นต้องไปถึงอินเดียเลยเจ้าค่ะโยมก็คํานี้ก็อยู่ในใจโยมตลอดแต่ว่าแต่ว่า มีโอกาสโยมก็ถือว่าโอเคโยมก็ได้ไปแล้วถือว่าเป็นได้พลังพลังด้วยล่ะค่ะพระอาจารย์แล้วโยมไปโยมก็บวชชีแล้วโยมก็ตั้งใจแน่วแน่เลยค่ะว่าจะภาวนาพุทโธไม่ให้ไม่ให้ตกหล่นค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันนา่าจะมีเวลาเยอะก็ดีถือว่าเป็นทําระดับของเราแล้วกันเรายังทําได้คแค่ระดับนี้แล้วก็ทําไปก่อนแล้วกันค่ะเพราะาอยู่บ้านมันหลุดค่ะพระอาจารย์มันมันจะพุทโธได้ไม่ตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์เหมือนเดิมก็มีเรื่องที่ต้องต้องทําค่ะ ไปนี่เราน่าจะเต็มที่ค่ะพระอาจารย์ก็ <im it> มีลูกศิษย์ที่เข้ามาเข้าซุ้มคนหนึ่งเขาก็ไปบวชที่อินเดียแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะส่งรูปมาให้ดูค่ะรูปเป็น <im it> เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสายเดียวกันวัดเดียวกันก็เปล่าเหมือนวัดแม่หยงเจ้าค่ะวัดแม่หยงที่อยุธยากับหลวงพ่อัสฬสเจ้าค่ ะ, คะไปบวชที่ไหนไปบวชที่เออปุสิณ า, า, าราค่ะปุสิณาราค่ะเป็นเป็นแล้วไปวัดไถ่ชิโน่ด้วยเจ้าค่ะ โอเค ก, อก็ดี ก, ดกวดีก็ไม่บวชก็แล้วกันคิดอย่างนี้ก็แล้วกันโยมเป็นคนที่รักผมมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารยเกิดมาไม่เคยตัดผมเหนือคิ้วเลยเจ้าค่ะวันนี้โตนเลยค่ะพระอาจารย์ใช่โยมได้กำลังใจจากคุณลาด้วยค่ะเห็นคุณลาโกนผม ค, คือโยมมีความคิดมานานแล้วค่ะว่าโยมอยากอยากบวชแบบโกนผมโยมเคยฝันมีมีในฝันนะคะก็ะถามว่ายังยังไม่ ยังไม่คิดจะบวชแบบผมสบงเหรอโยมก็เอ๊ะผมสบงมันคืออะไรตื่นมาโยมก็มาเสิร์ชเดูอ๋อมันเป็นการหวดแบบบวชพระแต่ในฝันนายโยมบอกไปว่าโยมโยมยังไม่พร้อมเจ้าค่ะแต่ตอนนี้โยมก็เอ๊ะโยมคิดว่าโยมน่าจะพร้อมตอนแรกโยมมีจิตศรัทธาคือโยมตั้งมั่นไว้ว่าวันหนึ่งถึงโยมถึงโยมจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณพ่อสมมติว่าคุณพ่อไปก่อนโยมโยมจะทําแบบผู้ชายคือโยมจะแบบโกนผมแล้วบวชณัฐจุดวันนั้นแต่แล้วโยมก็มาคิดว่า เพื่ออะไรพระอาจารย์ถ้าคุณพ่อเขาไปแล้วคุณพ่อเขาเขาไม่เขาเขาไม่มีโอกาสเห็นเราเขาไม่มีโอกาสได้มาอนุโมทนาร่วมกับเราเพราะนั้นน่ะในขณะที่คุณพ่อยังอยู่อะค่ะเราทําซะแล้วก็ลูกก็ไปขอขอขมาพ่อแล้วก็บอกพ่อว่าถึงโยมเป็นผู้หญิงโยมก็หวดท้ายให้พ่อได้เจ้าค่ะอ่าดีดีมากค่ะโยมขอฝาคุณพ่อกับเท้าพ่อล้างเท้าพ่อเรียบร้อยแล้วคุณพ่อจะได้ดีใจเจ้าค่ะตอนนี้พ่อก็แลนดิ้งลงแล้วค่ะเหมือนกับหลังท่านก็เจ็บ ดังนาน<ม>ก็ไม่ค่อยได้แล้ว ค, ะ <Okay. S 1> ค่ะโอเคดูใจกัเชื่อตอนที่ท่านจะจากเราไปนะใช่ค่ะพระอาจารย์กับนวสการสาดูพระจารรักษาถ้าขันแล้วเจ้าค่ะ่สาธุเจา้าไปที่คุณมาลีต่อพุท ธ, ธาสการ์จากหงพ่อค่ะก็ ย, ยังปฏิบัติอยู่ มัไ<ป>อไนายกอนหรอวะมาอะนายกอนอวะโกนที่บ้านนี่ก็ได้เนี่ยอไม่เหมอนตาอเดียเลยใ่ไมอาจารย์นะไว้ไม่นใจเลยต้วงไดีนเอง <c oughs> น้องรับจะข่าว่าอาจารย์โกนที่ไหนก็โกนได้ใช่ไหมไ <c oughs> ว้ไมีใวมไม่ไม่ไโกนนะโกนได้นั้นนะ อันนั้นก็เป็นเพียงแต่ส่วนภายนอกแนะเนาะในการโกนหัวโกนหัวแล้วตัดใจขึ้นมายังอาจจะเป็นลิงอยู่ก็ได้อโกนหัวแล้วก็ต้องมีสติสำรวมกายวาจาใจด้วยนะอือเคคุณบาลีมีอะไรว่าไหวันนี้ก็ไม่มีคําถามก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่อโอเคคุณบลีนี่สบายแล้ว<ม>อยู่ตัวแล้วออย่ากมีความอย่าง อยากมากไปค่ะพ่อแต่ว่าเหมือนมันไม่อํานวยให้หนูอะค่ะหลวงพ่อใช่ถ้ายังทำอะไรไม่ได้ก็ต้องถนอมหยุดความอยากไว้ก่อนแม้จะเป็นความอยากที่ดีถ้ามันยังทําไม่ได้ก็อาจจะทําให้เราทุกข์ได้ค่ะอพอไปขอไปอยู่ที่วัดนะคะ่ะเงที่หนูบอกหลวงพ่อะค่ะที่ที่บ้านเขาก็ไปดูเขาบอกมันลําบาก มันมันน่ากลัวไปก็ไม mm ่ใ hmm. ห้ไปอะไรย่างนี้ค่ะเขาก็ไม่สบายใจคำถามว่าใครเป็นคนไปเขาไปแล้วเราไปเราต้องไปก่อนอนุญาตกข่ไหมหมก็ไปเขาไปแล้วเราไปเราเราก็เราก็ต้องการความยากลาบากเราก็ต้องการความที่น่ากลัวไม่ใช่หรืถึงไปต้องเป็นทุกข์ค่ะหลวงพ่อ เขาบอกมันดูดูไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกหนูอยู่หนูก็อยู่ได้หนูก็ไปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่สบายใจค่ะหลวงพ่ออ่ามันมันเกี่ยวอะไรกับเราหรือก็เรื่องไม่สบายใจของเขาก็เรื่องของเขาไปเลยเขาเป็นห่วงค่ะพ่อหนูก็เลยบอกว่างั้นแดียวหนูหา้าหาที่ใหม่ที่มันคือจริงๆริอะหนูอยากอยากไปแบบให้มันเต็มที่ไปเลยเงี้ยค่ะแต่ว่าพอนั่น พอนุไปไม่ได้มันเริ่มมีความหงมุดหนิดตรงที่ว่าเหมือนมีอะไรมามัดขาหนูอย่างเงี้ยถ้าหลวงพ่อมันคืออยู่ก็ไม่ได้ไประโยชน์แทนที่จะได้ไปอย่างเงี้ยค่ะ ม, มันก็เลยรู้สึกถ้าเรามาโมแต่กลางวันของเรื่องของความคิดของคนอย่งนะทําอะไรไม่ได้แล้วความคิของเขามเป็นความคิดของกิเลสเั่านั้นนะ่ะเขาก็ยืนดึงเราไว้ทั้นหนึ่งก็เลยแบบรู้สึก รู้สึกไม่ไม่ค่อยโอเคนิดคือมันเหมือนมีความทุกข์ในใจว่าเราเราอยากไปตรงนั้นแล้วก็ถ้าอยู่ข้างหลังเนี่ยมันรู้สึกเสียเวลาเนี่ยถ้าหลวงพอ่อแล้วทํำไมไม่ไปล่ะหนก็ไปหนก็หนก็เดือไปมาค่ะอ่แต่ว่าตัวใครตัวมันเวลาตายมีใครใครตายแทนกันได้แต่ว่าเขาบอกว่าให้ไปที่อื่นที่มันโอเคกว่า น, น, นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ วเวลาก็าไปไหนเขาจะมาถามเราเนาะแล้วเราจะได้บอกเขาไปได้หรือไม่ได้ใช่ไหมอลองถามคนเคุณจะไปไหนคุณมาถามเราก่อนหรือเปล่าว่าคุณจะไปไหนไปได้หรือเปล่าคือคือทีที่วัดที่หนูไปมันเหมือนอยู่บนเขาแล้วมันก็ห่างไกลมากค่ะหลวงพ่อแล้วก็<ม>คือเขาดูแล้วว่ามัน มันไม่มีอมันเงียบมันน่ากลัวอะไรเนี้ยแตหนหนูก็อยู่ได้ตอนมาสูนเลยรเนี้นย<ๆ>เล่นๆก็จะไม่อยากไปก็ได้มั้ถงถึงต้องอ้างคนอื่นให้มาตัดสินใจให้เราเราไม่ใช่ไม่อยากไปค่ะหนูหนูบอกเขาแล้วหนูเตรียมจะพาอะไรไปเรียบร้อยแล้วแ ต, แต่เขาเขาไม่เห็นไม่ก็เขาไม่ได้ไปด้วยไปไปไปไปก็จะไปเพราะเขากลัวก็อยากไปเนี้ยเราเราไม่กลัวเราก็ไปไม่้นมันจะเกี่ยวอะไรเนี้ย ค น, นที่คนที่ไม่ไปคนกลัวเขาก็ไม่ไปอยู่นะไอคนไม่กลัวก็กลับไม่ได้ไปเพราะเพราะถูกคนกลัวหนึ่งไว้มันมันมันไปทําอะไรได้อนยะ่างเงี้ยแตหนูหนูนก็หนูก็ไปที่วัดนะคะหนูก็ไปแต่ว่าเขาาบอกว่าให้เหมือนแบบที่เนี่ยมันน่ากลัวนะค่ะแต่ว่าหนูนก็ไปมาก็าดีเลยเราต้องการไปที่น่ากลัวมันจะได้ได้ธรรมะธรรมะมันอยู่ที่มันน่ากลัว ที่ทุกอย่างกลำบากไม่ใช่อยู่ที่สุขสบายที่ปลอดภัยเขาบอกว่ามันมีจัดพระไม่มีใครลแล้วแลภ<พ>าพาเป็นยังไงภาพภาพาเป็นยังไงภา <c oughs> พมีศีลมีธรรมกลัวคระกลัวว่ะอะไรวะไอ้ <c oughs> พวกกับคนไม่มีศีลมีธรรมกับไม่กลัวไอ้พว ก, กินเหล้าเม <c oughs> ายากับไม่กลัวไปกลัวคนที่เขาไม่กินเหล้าเมายา บอกมีมีแต่พระอยู่สี่้ารู่แล้วก็ไม่มีใครเลยไปอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยบอกมันนา <c oughs> ่ากลัวก็จะได้รู้แล้วรู้หอดแต่ว่าพระเปนเป็นยังไงพาะเป็ น, ปนพระจริงหรือเป็นผีก็นยัรู้กันหนูหนูบอกไม่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวหไปที่อื่นก็ได้ผนก็ไปหาใหม่เอ่อหนูก็จะพยายามไปหาที่ไปจนได้โอเคแล้วแต่แล้วแต่ข้าเลยว่า เขบอกเขาสนับสนุนให้ไปที่เขาที่เชียงบุรีอะไรเงี้ยหลวงพ่อเขบอกให้ไปที่เวลาเราบวชเวลาเราจะบวชแล้วไม่เคยไปทางใครกออนุญาตจากใครเวลาจะไปอยู่ร้านไหนแห่งไดเราไม่เคยต้องไปขออนุญาตใครแล้วก็ไปหลงเราให้ส่งไปให้เขาไปส่งไปแล้วงพ่อเราไปก็ได้ไม่ต้องให้เขาส่งก็ได้แท็กซี่ก็มีแก๊็บก็มีที่ที่บ้านนอกอ่ะที่หลวงพ่อมันไม่มีแบบแบบนี้ค่ะมันไม่มีแกร็บหรอก มันนอกเหมือนว่าโอเคโอเคไม่ว่าอะไรหนูหาที่ไปใหม่ท่านั้นหอหนกมาทางนี้แล้วหนุกต้องต้องไปให้ได้ทางหลวงพ่อโอเคทางหลวงพ่อปฏิบัติอูเลือกแล้วทางหลวงพ่ออ่าดีจ้ะขอให้ทากันแล้วกันถ้าเราคุยหลวงพ่อกันอ่าไปที่คุณพัทลาพรสเปน อยู่อิบิซาอยู่ป่ะกับนมัสการเจ้าค่าหลวงพ่ออยู่อีบิซาเจ้าขาเดีวยังเรียวยังไม่เปิดแน่ยังครับมีอะไรไหมวันนี้มีเจ้าคขาหลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อเจ้าขาลูกพิจารณาว่าเราเราจะต้องพัดภาคจากของรักของจําเลิศใจเป็นของธรรมดา แล้วทุกคนก็ต้องเกิดแก่ s. <S เกิดเกิดจริงแก่จริงเจ็บจริงตายจริงแล้วเราเกิดมาเพื่อเราจะมารอความตายหรือเจ้าค่ะหลวพ่อเจ้าค่ะไม่หรอกเราเกิด ม, มาหาความสุขกันเราลืมความตายกันไไม่ยอมคิดถึงมันก็เลยคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันเราก็จะคอยแต่หาความสุขจากราบยศสรนเสริญจากรูปเสียงบินรดอยู่ทุก ว, วันก็เลยคิดว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกัน เจ้าข้าหลวงพ่อนี่แต่พวกพวกเราพวกคนบ้าทั้งเนี่มานั่งคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันทุกวันเจ้าค้าหลวงพ่อเจ้าข้าเห็นจริงเจ้าข้าว่าแก่เจ็บจริงตายจริงเจ้าข้าหลวงพ่อเนั้นเราต้องรีบทํางานของเราไปให้เสร็จก่อนที่เราจะแก่เจ็บตายโรงงานที่เราทานี่จะทําให้เราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเจ้าค้าหลวงพ่อเจ้าข้า เราก็พยายามทําอยู่เจ้าค่ะหลวงพอ่อเราพิจารณาเราก็ทําเท่าที่เท่าที่จะทําได้เจ้าค่ะหลวงพอ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะทานศีลภาวนาเนี่ยทาบุญทําทานรักษาศีลไปภาวนาไปนะะเจ้าค่ะทำเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ไ ม, มไม่หาเจ้าอืมเจราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่ตอไป น้องข้าหลวงพ่อลูกไม่อยากเกิดอีกแล้วจ<า>ังครับเรียกมีอะไรบ้างเรียกลำหนุนตาขาข้าหลวงตาช่วงนี้โฟกัสเรื่องสมาธิไม่ค่อยได้นะครับคนก็ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มากก็เลยโฟกัสไม่ได้เรื่องเรียนเรื่องเอเรื่องตดอกใบขับคิดอยู่ ก็พยายาม <S <S <S หาเวลาบ้างกําหนดเวลาวันหนึ่งจะต้องเอาเวลาว่างสักหนึ่งชั่วโมงไม่ให้ไปคิดอะไรให้เดินโยกมนั่งสมาธิพุทโธพุทโธ ไ, ไปเรียนหนังสือมปนตารางเรียนใช่ไหมวิชาเวลานี้เรียนวิชานี้เวลานั้นเรียนวิชานั้นน่เราก็ต้องกำหนดวันหนึ่งเราจะมาหาเวลาทั้งหนึ่งชั่วโมงไว้สํำหรับวิชาธรรมะแต่วันน้องตั้งยี่สบสี่ชั่วโมงอย่าแบ่งเวลามาสักชั่วโมงไม่ได้เลย เราทําดูเสร็จเราจะเห็นว่าเราจะมีสติมากขึ้นเราจะควบคุมความคิดได้ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเพราะเราไม่ทำเองแล้วเราก็อ้างว่าไม่มีเวลาแล้วเวลาไปเอาไปทําอะไรหมดของสําคัญอย่างสติอย่างสมาธิเราก็ไม่มาทํากันไม่ทาเรื่องไร้สาระม่นั่งเล่นเกมดูอะไรอินเทอร์เน็ตดูเวลาดูอะไรกันไปดูมันได้ดูมันดี อย้มันนั่งซัเดินจงกรมนั่งสมาธิสักชั่วโมงนี้ทําไม่ได้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากธรรมะของวิเศษเราไม่หาเราไม่เอาธรรมะเข้ามาเราไม่ปฏิบัติทํามกันเราต้องกําหนดเวลาต้องบังคับต้องมีตารางว่าวัานนี้ชั่วโมงนี้จะต้องทําอวิชาธรรมะนะถึงเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้ว ชัวโมงเนียวลองทําอยู่ในวันนละขอวันละช right <cam> <flash plays>. ั่วโมงก่อนก็ได้ครับเจ้าค่ะกลับอัปคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่าสะลุงแดงเจ้าค่ะคุณมณิกานาลาที่ว่าต่อกรับน้ำมาสการเจ้าค่ะผู้อารย์วันนี้มาร่วมฟังธรรมไม่มีคําถามเจ้าค่ะอ่าดีจ้ะ วันนี้รู้สึกวันนี้ต้องดูบ้างนะหล้วแต่ละคนมารายงานไม่ได้เรื่องเลยต้องมีเรื่องให้ดูอยู่เรื่อยอย่าหาว่าดูร้ายไม่ได้นะแต่เมื่อารูนอกทางโอเคคุณจิ๊บ ม, มาด้วแร้วทำนมัสการค่ะพระอาจารย์อาจารย์ยอมเป็นโควิดแล้วค่ะพระอาจ า, า, ารย์อุตส่าห์รอดเป็นกี่รอบนกรอร อ, อบแรกนะ รอบแรกเจ้าค่ะเป็นรพร้อมกันพ่อคุณแม่ที่เมืองไทยเลยไม่รู้เป็นเพอได้ยังไงแบบคุณพ่อคุณแม่ไทยก็เป็นครั้งแรกรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเริ่มแม่เริ่มมันอ่าสุกเสาร์อาทิตย์บ้านโยมปันจันค่ะก็เป็นกันคุณแม่ทางพ่อแม่แล้วก็โยมแล้วก็ลูกๆอีกสงคนก<ค>็เลยแบบโอ้อาทิตย์ที่แล้วเลยไม่ได้เข้าเลยกับพระอาจารย์เป็น ตอนนี้ก็เลยพอเมื่อกี้ตรวจ น, นี่มันเจ็ดวันแล้วใช่ไหมคะโยมตรวจมันยังเป็นโพซิทีฟอยู่เลยค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ไอตอนกลางคืนเลยก็แบบโอ้พอไม่รู้ไม่รู้มันเป็นอะไรแบบพอพระาทิตตกปุ๊บไอแบบนี้เลยพระอาจารย์นโยวแบบ อ, <laughs> อาการอาการไม่รุนแรงยังไม่นพออยู่ได้นะก็พออยู่ได้คะ่ะแต่แค่ไม่ไม่ค่อยอยากอาหารคะ่ะก็ก็ดีเหมือนกันคะ่ะตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าเป็นการกินมื้อเดียวไปแล้วค่ะตอนนี้ เสร็จพระอาจารย์ข้อดีของโควิดก็คือน้ำหนักลดลงไปหน่อยนึงค่ะดีพระอาจารย์สบายดีนะคะโอเคขอให้หายเร็วหน้าที่นี่หนาวมากเลยค่ะ -11 อ็ดองศาพระอาจารย์รักษาสุขภาพยาโอเคถ้าเกิดวันเสาร์นะรับคุณเอ็นพเอ็นพีเชิญเพิ่งเข้ามาข้างล่างคุณ NP อยู่ที่ไหน กรับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะเข้ามาครั้งที่สองค่ะพระอาจารย์ครั้งที่สองเรเนะี่ยค่ะบ้านอยู่ที่ไห น, น, น, หน อ, ยอยู่ที่ชนบุรีค่ะ <Okay. S 2> อำเภอเมืองค่ ะ, <Okay. S 2> คะมีอะไรบ้างวันนี้วันนี้เข้ามากับาพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะมไม่มีคำถามไลยก็จะเพียรปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์สอนทานศีลภาวนาค่ะพระอาจารย์พยายามพยายามเจริญสติในระหว่างวันค่ะ อการพยายามอยู่ีไหนการสาเร็จอยู่ที่นั้นนะครับ<า>อาจารย์โอเคอย้อนไปที่ท่านตอบไปไปที่คุณยินดีแอนเซอร์สก็คงงหนาวมากเหมือนกันนะยินดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีคะ่ะท่า น, าน อ, อาจารย์อาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินค่ะท่านอาจารย์<ๆ>ก็หนาวค่ะวันนี้เริ่มค่อยชั่วค่ะเมื่อสองสามวันที่แล้ว ยี่สบสามอะค่ะอาจารย์ลบยีิบสองยิบสามเคืองีเตอร์ก็แบบเหมือนเขาก็จะไม่ไหวเหมือนกันค่ะก็โอเคค่ะท่านอาจารย์ไม่มีอะไรค่ะก็ธรรมชาติค่ะอเดวิดก็ฝากความคิดถึงท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็บอลซองเตท่านอาจารย์ก็ยังไปทํางานได้เดินทางไปทํางานได้นะค่ะท่านอาจารย์ก็ไปนะคะท่านอาจารย์ก็เมื่อวันแรกเลยที่พายุเข้าเขาก็กลับเร็วหน่อยค่ะสี่โมงเขากลับ <Jub ilee> บ้าแล้วค่ะท่านอาจารย์ก็ก็ระวังนิดนึงอะค่ะมันระวังค่ะท่านอาจารย์ใช่ขอให้ท่านปลอดภัยนะอ่ะค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์อนึ่งศูนค่ะโอเคสาธุคุณยศสวัสดีเคุณยศสวัสดีการรัชการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้ค่ะก็เป็นคําถามเขียนไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยออกมาถาม แต่อทิตที่แล้วไม่ได้เข้าค่ะก็อคําถามคือมันเป็นเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานในการทํางานใดๆค่ะอาจารย์คือเหมือนกับว่าเวลาเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างนึงอะค่ะมเมื่อเรามีฉันพะเราใช้อธิบาทสีมันก็จะมีความพยายามใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ทีเนี้มันก็จะเกิดความอยากไปด้วยเลยจะมากราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะขอธรรมะที่ทําให้เรามีความพอดีระหว่างรักที่จะทําสิ่งนั้นกับ พยายามที่จะทำสิ่งนั้นพอเราพอเราจะเฉยมันก็กลายเป็นเฉยชาพอเราจะพยายามมากขึ้นมามันก็เป็นความอยากจนเราเป็นทุกข์อะค่ะพระอาจารย์อือเราต้องอยากในในการกระทำํำอย่าอยากจะเดินจงกรมอยากจะนั่งสมาธิอยากเหล่านี้มันไม่มีพิษมีภยัยแต่ถ้าอยากจะได้ผลจากการเดินจงกรมจากการนั่งสมาธินี้มันอาจจะไม่ได้ดังใจอย่างมันก็อาจจะทําให้เราทุกข์ได้ เราอย่าไปตั้งความอยากที่ผลให้ตั้งความอยากที่เหตุเราก็ดูกำลังของเราว่าเราทำได้มากน้อยตามกำลังของเราตั้งไปตามกำลังของเราเช่นเวลาเราหัดวิ่งใหม่ๆแล้วอาจจะวิ่งได้แค่ครึ่งกิโลนี่แล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นกิโลเนีงยอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูตามกำลังของเราอันนี้เราต้องกำหนดต้องต้องดูกำลังของเราว่าเราละทำได้มากได้น้อย ถ้าไปตั้งสูงกว่าที่เราทำได้มันก็จะทำให้เราท้อได้เมื่อเราทำไม่ได้ถ้าทำต่ากว่าที่เราทำได้มันก็จะอาดทุนเหมือนนี้ไม่ได้ไม่ได้ผลมากเท่าที่ควรดังก็ต้องห า, าจุดพอดีในตัวเราแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆทีละ 9, ทีละก้าวทีละก้าวไปทาให้เพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับเข้าใจไหม ใช่ค่ ะ, ะอาจารย์คือไปพยายามที่กระบวนการมหมายถึงว่าเอาใจไว้ที่กระบวนการแต่ว่ า, าปล่อยวางผลเงี้ยแหละคะอาจารย์ใช่ผลมันตามจากการกระทํามันไม่ได้เกิดจากความอยากของเรายังอยากจะนั่งให้จิตสงบครึ่งชั่วโมงเ ง, งี้ยมันบางทไม่สงบอ่ะจะทำยังไงเพราะเหตุแหละมันไม่มันไม่มีที่จะทําให้มันสงบอ่าตั้งว่าจะนั่งอย่าไปจะจะนั่งครึ่งชั่วโมงจะสงบไม่สงบไม่เป็นไร ไม่สำคัญขอให้เราได้นั่งทำได้ไม่ใช่บอกไหมไม่ใช่บอกว่าอยู่ที่สติของเราว่ามีมีมากมีน้อยค่ะะจรได้เจ้าค่ะ ถ, ถ้าตั้งแบบนี้ใจยังไม่ค่อยเพียดเท่าไหร่ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่พอดีฟังเพื่อนแล้วเพื่อนมีพัฒนาการไปไกลอะค่ะเราก็แอ บ, บคิดละค่ะว่าเมื่อไหร่แค่ฝึกสติกันยากเลยก็แอ บ, บมีความอยากค่ะหรือว่าเห็นคนข้างตัว วิ่งทีวิ่งได้ทีสองสามโลแบบชิ ว, ชวๆอะค่ะพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะเรื่องการวิ่งหนูก็อยากจะเริ่มต้นค่ะอาจารย์จะเห็นเขาวิ่งแล้วก็ท้อแล้วค่ะว่าเมื่อไหรเราจะวิ่งได้อย่างนั้นมันมันก็ท้อเลยก็ไม่ได้เริ่มสัมกทีอะค่ะพระอาจารย์เราต้องอยอมล้วเขาเริ่มต้นมาก่อนเราใช่ไหมเขาเขาก็ไปไกลกว่าเราแล้วดีๆเราจะเริ่มปั๊บจะไปทันเขาได้ไงเราก็ต้องเริ่มจากจุดชองเรา แ, แล้วค่อยๆขยับไปค่ะ เดปนุวไปพยายามพิเหตุค่ะพระอาจารย์โอเคนะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ okay, คุณชนะดาเดือนอยู่ที่ไหนอยู่สมุทรปราการ น, นารัตสกานจะค่าพระอาจารย์วันนี้มาสมัมมนาที่ระยองค่ ะ, oh, ะมานอนอที่ระยองค่ะพระอาจารย์ค่ะกย็ยังมีเวลามาฟังธรรมได้นะก็วันนี้ตั้งใจค่ะเพราะว่าไม่ได้เข้าหลายหลายครั้งแล้วค่ะเราแต่ฟังอยู่ข้างนอกค่ะพระอาจารย์อืวันนี้ตั้งวันนี้ตั้งใจจะเข้าอ่ะค่ะ เรมีเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวจะเชิญเพื่อนเข้าด้วยแบบขอคุยก่อนค่ะ <c oughs> ก็เอ่อตั้งตั้งแต่ตั้งสัจจะครั้งที่แล้วอะคะ่ะตั้งแต่รูปตั้งสัจจะครั้งที่แล้วเอ่อที่ไปสิบสองเดือนแล้วครบใช่ไหมคะลูกว่ารูปกลับมาลูปรูปเก้าวหน้ามีความเก้าหน้ า, า, า, นาทางการควบคุมอารมณ์นะคะอาจารย์จิตใจมันสงบมันสงบมัน ม, มันเย็นขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็มีความสุขทุกวันเลยค่ะอาจาจรย์ มันมันมันนิ่งค่ะมันมันแล้วก็ในสถานการณ์พอดีมันเพิ่งมีกรณีพิพาทไปอะค่ะกับกับคู่กรณีเดิมเดิอะไรเนี้ยค่ะพอาจารย์ก็ลูกก็เข้าไปนั่งตรงตรงที่เขานั่งกันนะคะลูกก็เข้าไปนั่งตรงนั้นเลยเพื่อไปดูไปดูตัวเองด้วยอะไรเนี้ยค่ะพอาจารย์ก็ปรากฏว่าใจมันก็นิ่งนิ่งดีนะคะพอาจารย์เอ่อนิ่งกว่าแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนมันจะใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุต๊แล้วก็อยากจะเอาชนะเขาหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะพอาจารย์ แต่ว่ารอบนี้มันไม่เป็นมันนิ่งมันนิ่งแล้วพอข้ามไปกวันอีกวันหนึ่งเนี่ยลูกเจอเจอเขาอนะคะเจอบักเจอเจอหนึ่งในในกลุ่มนั้นนะคะลูกก็ยังนึดสงสารเขาขึ้นมาค่ะแล้วก็ชวนก็ยังชวนเขาทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้ทานนะคะอาจารย์ก็ลูกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยในใจ ล, ล, ลูกลูกลูกลูกดีใจนะคะดีใจที่ที่ทบอกว่า ปีที่ปีที่ผ่านมาลูกว่าลูกมีความก้าวหน้าทางทางเนี้ยค่ะทางทางจิตค่อนข้งางโอเคอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าถ้าไม่ติดอะไรหรือถ้าไม่เหนื่อยเกินไปลูกก็จะนั่งก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็คือจะจ ะ, จะพยายามนั่ง mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีในระหว่างวันถ้ามีเ้าเรียกว่าไม่ไม่ได้ทําอะไรมากมายก็ น, นึกได้ก็จะเลึกสติ mm hmm. แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะเข้าสมาธิง่ายอะค่ะอาจารย์ mm hmm. มันมันค่อนข้าง คือมันดีขึ้นนะคะพระอาจารย์ค่ะค่ก็อย่าชะล่าใจและพยายามรักษาการปฏิบัติของเราไว้ค่ะไม่ใช่พอมันดีแล้วเราเราก็หย่อนพอหย่อนแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะไม่เกิดมันก็จะทําให้เราเสียใจได้ค่ะลูกก็กลัวเหมือนกันค่ะเพราะเวลาอย่างนี้ทีไร ล, ลูกก็จะดีแตกทุกทีเลยค่ะพระอาจารย์ดีใจแล้วก็หย่อนยานพอหย่อนยานเดี๋ยวผลมันก็มันก็หย่อนตามมาค่ะพระอาจารย์ค่ะเพราะนต้องรักษาเหตุให้เท่าเดิมแล้วมากขึ้นนะถึงยาถึงยา ยังยาวดี <'K ha. S 1> ย่า ย, อ น, อ, ย, ายอนที่เห็นเนี่ยเห็นต้อง <'K ha. S 1> ต้องเพิ่มนรือย่างน้อยต้องอยู่ในระดับเดินมนะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวลูอุ้งจะหาเวลาค่ะก็จะพยายามที่ตั้งตั้งใจไว้ว่าปีนี้จะเอาเดือนหนึ่งต่อนเนื่องให้ได้แล้วก็จะต้องทําำค่ะอาจารย์ด <'K ha. S 1> ีดีนั่นต้องมีเป้าหมายไว้ถ้าไม่มีเป้าหมายมันก็จะไม่ทำสักทีนะค่ะค่ะอาจารย์ ตั้งเป้าต้องตั้งเวลาให้มันชัดเจนนะเดือนไหนเวลาไหนมันจะได้ไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อหลบนะค่ะค่ะค่ะพอาจารย์ถ้าไม่ตั้งผ ม, มก็เออเดี๋ยวไม่ว่างช่วงนี้ไม่ว่างอย่างงู้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็มีเค่ะพระอ า, าจารย์ค่ะแล้วก็ เ, เ, เดี๋ยวลูกเรียกเพื่อนตั้งหนึ่งนะคะ พอดีเพื่อนเคยไปใสบาตรกับท่านพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ก็ทำท่านพระอาจารย์เรื่อยๆเช่นกันค่ะชื่อเขาชื่อพี่ยอดฝันนะค่ะพระอาจารย์อ่ายินนีท่านนับจากคุณยอดฝันการนมัสการพระอาจารย์นะคะมามาชุมด้วยกันนะใช่ค่ะพระอาจารย์อ่ามีอะไรไหมก็โยมก็ปกติแล้วอะโยมก็นั่งนั่งสมาธิมานานแล้วการพระอาจารย์แต่ว่าโยมอ่ะพอดีมีพระฤาษชายอ่ะบท บวชเป็นพระอยู่สายหลวงพ่อสนองตะตาบุญโยค่ะบวชมาประมาณสิบปีแล้วค่ะน่ดีว่าท่านยอมเป็นวัดปฏิบัติไหมนงินค่ ะ, ะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาโยมก็ฝึกฝึกปฏิบัติตลอดค่ะแล้วก็การฝึกกอส่วนใหญ่ก็จะฝึกแบบฝึกไม่ให้คิดอาจารย์ต้องพยายามหีความคิดให้ได้ค่ะถ้าไม่ถ้าคิดใจก็จะไม่สงบ ใจ<ช><ๆ>สงบก็ต้องหยุดคิดต้องใช้พุทโธทาบริกรรมหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งคอยห้ามความคิดไว้เมื่อก่อนโยมโยมจะนั่งได้นานพระอาจารย์แต่ตอนเนี้โยมมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของของเออหลังค่ะ ห, หลังจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมนิดนึงพอเราวนั่งก็นั่งนานจะเจ็บแต่ว่าโยมก็พยายามคือจิตแล้วไม่จิตเราไม่ไม่ น, นั่นมันก็จะไม่ไม่ ไม่เอ็นดิทลายอาจารย์ถ้าจิตเราเราเราอยู่กับตัวค่ะพอาจารย์ก็จะไม่ค่อยเอ็นดิทลาย ไ, ไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปกังวลกับมั น, มนใช่ค่ะดีเราพยายามทํานะทํามากาทำน้อยครับทําไปโยม<ง>ก<ป>็ได้มีโอกาสกราบพระอาจารย์แต่โยมก็ฟังนะคะไม่ได้เข้าซูนแต่ว่าก็ฟังาตามตามฟังของพระอาจารย์อยู่ค่ะดี่ทําไปฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วจะได้กําลังใจจะได้แนวทางนะ ค่ะครับขอบคุณค่ะขอาคุณอาจารย์ากลาค่ะลาอาจารย์ดก่อนนะค่ะค่ะสาธุค่ะอาจารย์กลับลาค่ะไอ้คุณปุ้ยรักซมบูรณ์ต่อทำน้ัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้โชคดีมากเลยได้กับพระอาจารย์คุณปุ้ยอ่ะวันนี้โชคดีเพราะตจ้ป่วยไม่ใช่หรอว่ากลับ่าค่ะพระอาจารย์พนโชคดีเพราะป่วย พอดีว่าคุณปุ้ยมีประชุมข้างนอกพอดีเขายังไงก็ไม่รู้เราก็อธิฐานว่าอขอให้กลับมาให้ทันพระอาจารย์นะอุตส่าห์เขียนมาบอกคุณหลา้ากลัวจะไม่ทันแต่พอดีมั น, ม, น, ม, นมันบินบุญของเรามั้งเขาก็แบบว่ากิมะตกและประเทศเนี้ยพออะไรนิดๆหน่อ ย, อยๆเขาก็อ้ยกระโจอยโวยวายส่งสมาสารว่าเออ ต้องเออเจนนะเงิน uh, อยู่ไม่ต้องมานะไม่ต้องเข้าบุโลนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะหิมะตกแล้วมันติดลบเดินทางลำบากแล้วเราก็ไปถึงหน้าที่ทํางานแล้วเราก็กลับมาเราก็เลยมาทันพระอาจารย์ก็เลยถึงเป็นบุญอ๋อข้าใจแนละ้วโยมโยมก็นั่งสมาธิสวดมนต์สวดมนต์ตอนเย็นแล้วก็นั่งสมาธิแต่ทีนี้ช่วงเนี้โยมจะนั่งไม่ถึงสี่ชั่วโมงพระอาจารย์แต่นั่งเช้านั่งนั่งกลางวันแล้วก็นั่ง ตอนเย็นเพราะว่าโยมต้องเรียนด้วยค่ะอือฮะแต่ทีนี้โยมไม่อยากจะเรียนหรอกเดี๋ยวเดือนหน้าโยมจะแคนยกเลิกเรียนแล้วเบื่อเพราะว่าโยมจะเอาเวลามานั่งสมาธิไงโยมก็ต้องใช้เหตุผลบิดไปอ่ะนะพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นนะใช่ค่ะโอเคมีอะไรหมโยมก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์โยมจะมาน้อมบุญถวายพระอาจารย์เจ้าค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงอาจารย์เอยมถูกผีหลอกอ่ะอาจารย์ช่วยยมหน่อยสิอ๋อผีจริงไม่เห่าผีเหล่าไม่จริงผีเหล่าก็คือผีป่อมผีเราปรุงแต่งได้ไหมเองผีจริงเขาไม่มีเวลามาหลอกลเราหรอก็ต้องไปรับผลบุญผลกรรมของเขาคือคือคือยมก็ไม่รู้ว่าจิตเราคิดไปเองหรือว่าใน ร้อร์ซ็นต์เรจิตเราคิดไปร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเมืองพิงโยมก็คิดว่าจิตจิตโยมมาปุ่มแต่งพบโยมเป็นคนที่กลัวผีมาตั้งนานแล้วจิตมหล่อผีมานะคะออพออยู่คนเดียวปั๊มนี่ผีมาเลยเวลาอยู่กับเพื so, ่อนเยอะๆนี่มันไม่กล้ามานะแต่แต่ค่ะแต่โยมก็ไม่ไม่ถึงขนาดตัวเหมือนเหมือนตอนเด็กๆที่กลัวแต่จะมาช่วงเนี้ยที่โยมเนี่ยอมัน มันมาเราก็ใช้พุทโธไล่มันไปใส่เพราะมันมาเขาพุทโธพุทโธพุทโธไปแป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วและโยมไปเป็น่ะเหมือนกับน้องที่อเมริกาเขาบอกเขาเป็นโควิดและโยมก็เป็นคล้ายๆแต่โยมเป็นแบบโยมก็ไปไปตรวจไปอะไรแล้วนะมันก็ไม่เจอโควิดแต่ทีนี้โยมเป็นมาแบบเหมือนกับมีใครมาบีบคอหอยโยมอ่ะแล้วแล้วโยมนั่งสมาธิแล้วมันรู้สึกมันติดตก็เรียกผีอำเขาเรียกผีามไม่ มันที่จริงครับผีีผ่หลอกมันเหมือนกับมีอะไรมาติดแล้วโยมก็ไปหาหมอแล้วติดแล้วปรุงแต่งไ้เองอ๋อค่ะโยมก็ไปหาหมอแบบ น, นี้หมอก็บอกเอาไอ้นุ่นเอาอ้นี่ให้กินมันก็ไม่หายหมอบอกว่าเอ๊ะ ท, ท, ทำไมเป็นนานพุทโธเ่ะหายนะลองลองใช้พุทโธเลยธรรมโอสฐ ยมก็เลยสวดชินนบัญชรเลยพระอาจารย์ยมใช้้กได็ได้ใช้แบบก้าวจบเลยแบบยมตั้งตั้งตั้งจิตอธิษฐานภายในเจ็ดวันนี้ขอให้ยมหายเราะว่ะยมยมสวดสวดเยอะมากตอนเย็นน่ะยมสวดเยอะมากเลยพระอาจารย์โอเคโอเคขอท่านดีก่อนนมาค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะเจ้าค่ะขอให้คุณพูยอยู่บนานๆช่วยไม่สารมาไม่รู้เลยนะจ๋าจูค่ะ ยังไม่ถูกหวยเลยพระอาจารย์มาออกแล้วนี่ตอนนี้น่าจะรู้แล้วไม่ใช่เลยมาออกแล้วอ่ะแต่ทีนี้ไม่กล้าบอกกับอาจารย์กลัวพร ะ, รพระอาจารยแบบ์อ่ะกลัวแบบเออพระอาจารย์กูัวจุ๊กกรู้กายไปที่คุณหมอคุณหอสุทัตถ์เสน่หวนี้ความดันมัอาจจะเริ่มเสื่อมาเลยนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคําถามค่ะ โอเคยังปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติอยู่ทุกวันเจ้าค่ะอาจารย์คุณนิสาก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคุณนิสาเออกลับแล้วกลับนมสสนาสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็มาร่วมรับฟังค่ะไม่มีคําถามค่ะยังกกปฏิบัติเหมือนเดิมอา ก, กาศทางเอลเอะเป็นไงหนาวไหมไ ม, ไม่ไม่หนาวปีนี้ไม่ค่อยหนาวค่ะพระอาจารย์เหมือนฝนน้อยค่ะพระอาจารย์ดีค่ะพระอาจย์ นม่คนดี่นก็โอนหีมกโดนฝนกันแต่เราสบายดีะะนะโอเคเลยสบายดีค่ะพระอาจารย์ฝนน้อยปีน <หา S 2> <า>ี้แค่ากค<า>่ะ ข, ข, ข, ขอให้พระอาจารย์ทักขันแข็งแรงนะคะโอเคนะคุณนิงคุณนิงพระยาได้ยินไหมเสี่ยวมี่ใช่ไหมสองสามศูนย์นี่เป็นใครเอ่อได้ยินไหมคะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฮะเหมือนกันหลักครับพระอาจารย์ นันใช่นะเยี่ยมไปที่คุณหมอหน้าทวุสก่อนเดินคุนหมอครับครับน้มันสกัรผู้จัย์ครับผมนข้ามาฟังธรรมครับตัดผมช่นนลงก็เลยอ๋อครับวันนี้ไม่ตัดผมไปดิหรับเหมือนหลับไปตัดเลยตื่นหรือเปล่าก็ส่งนั้นตามเขาเลยก็วันนี้มันจะตัดผมช่อนลงมันเรื่อยๆนะครับดีครับนะดีโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีคําถามครับนะฮะไปได้คุณฝน เ, เมื่อกี้เห็นเข้ามาก่อนเพื่อนหายไปหลุดเลยใช่หลุดค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ไม่ดีมันหลคอนเน็กลับเข้ามาค่ะพอดีเราตอนนี้ต้องขออภัยค่ะไฟมันมืดหน่อยเพราะอยู่ในห้องนอนเอาตัวเล็กนอนแต่ว่าตอนก่อนนอนเมื่อกี้เขาขอเอาหูฟังแม่ไปเสียบฟังธรรมก่อนนอนแป๊บหนึ่งก็เออก็เอาไปฟังจนเขาหลับไปแล้วค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมค่ะ ค่ะวันนี้ขออนุ ญ, ญาตถามส้นไสเพราะว่าพอดีฟังเอก็ได้รับคําตอบมาหมดแล้วอะคะ่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าการฆากิเลสความอยากเนี่ยโดยเฉพาะความอยากตัวใหญ่ๆนะคะ่ะมันมันยากอะคะ่ะพระอาจารย์ในการที่จะเอาชนะกิเลสนะคะหนูก็พยายามพุดโธแล้วนะคะแล้วก็แบบแต่มันมันมันไม่สามารถเอาชนะกิเลสความอยากที่เป็นความอยากตัวใหญ่ๆได้อะไรแบบเนี้นะคะ่ะช่วงนี้ก็ต้องพยายามสร้างกําลัง ให้มากขึ้นสร้างสติสร้างอุงเบขาให้มากขึ้นไปก่อนฝึกสมาธิให้เยอะๆขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่มีกำลังสงสมาธิเราจะหยุดปิเลตไม่ได้ยังพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตรวมให้จิตนัรวมนานๆสงบนานๆแล้วออกมา ลเลากิดความอยากตัวใหญ่ๆก็พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์ความอยากจะพาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปสู่ความสุขความสุขก็เป็นความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวพอมันหายไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์อันใหญ่ขึ้นมาแทนเป็นแสดงว่าตอนนี้ ก, กำลังเรายัางไม่พอเอาพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้มากขึ้นให้ได้ปนาสมาธิ ขณะบรรณาสมาที่นับจิจจะมีพลังมีอยู่เบคกขาจะวางเฉยได้เวลาเกิดความอยากก็เฉยกับความอยากได้แล้วก็ราจะพยายามค่ะเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกอาจจะช่วงนี้ค่ะมันสติมันอาจจะไม่ค่อยมี คือเราก็ฝึกก็พูดโทนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ต่อเนื่องค่ะแล้วก็เวลานั่งสมาธิก็เลยทําให้ไม่สามารถจะนั่งได้สงบนานอะไรแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยอาจจะพอเวลาเกิดกิเลสขึ้นก็เลยต้องหาเวลาไปเปิดไม่เว่อยู่คนเดียวหนูบ้างหึ่งจะได้ชาร์จแบตได้เต็มที่ค่ะเออหนูมีรางานไว้แล้วค่ะพระอาจารย์พอดีลางงานไว้วันวันวัน ต้นเดือนนะคะวันศุกร์ต้นเดือนที่ตรงกับ ว, วันพระพอดีอะค่ะุขต้นเดือนกลุมภาก็ตั้งใจว่าลา ง, งานแล้วเดี๋ยวจะขับรถขึ้นไปที่พัทยาค่ะพระอาจารย์ไปที่วัด น, นะคะต้องมีเวลาไปปฏิบัติต้อ ง, องเหมือนเหมือ น, นไปชาร์จแบตนะคะต้องอยู่คนเดีย ว, วไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวใครจะ ไ, ได้มีฝึกสติหยุดควบคิดควบคุมความคิดนั่งสมาธิให้จิตสงบ แล้วต้องทํางานต้องเกี่ยวข้ อ, ของกับคนนะั้นคนนี้มันก็ต้องคิดใช้ความคิดกันทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะเหมือนทำงานแล้วมันต้องใช้ความคิดมันเกี่ยวข้ อ, ของกับคนอะไรแบบเนี้ยอ่ามันก็ทำมันก็ได้ตอนนี้แหละมันก็สมาธิก็ได้เท่านี้คถ้าเห็นจะได้มากกว่านี้นก็พยายามอใช่ หนูหนูก็พยายามค่ะตอนเช้าไปถึงออฟฟิศเร็วส่งลูกเสร็จไปถึงเร็วหนูก็จะนั่งสมาธิหาพระอาจารย์แล้วก็แบบอย่างบางทีกลับมาบ้านตอนกลาง น, น, นลูกหลับหนูก็ลุกขึ้นมานั่งแบบมืดมืดแบบเนี้ยค่ะคนเดียวะแบบเนี้ยเพียง แ, แต่ว่าระหว่างวันเหมือนมันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยอยู่รันเวย่ยมันยังไม่ยาวพอที่จะทําให้เครื่องขึ้นได้เวลาที่จะทําสมาธิมันยังไม่มากพอที่จะทําให้จิตรวมได้ เราหาเวลาเพา่มเราเพิ่มเวลาให้มากขึ้นค่ะการขัาจักรหนก็จะลองนำไปเพิ่มมันจะเดินมันจะขึ้นขึ้นลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้มันต้องงานเวมันต้องยาวนถ้าเราไม่สั้นๆันดิ่นปั๊มหนึ่งพอสวดนานเวมันยก็ความเร็วไม่พอมันก็ขึ้นไม่ได้นั่งสมาธิถ้าเวลาน้อยนั่งปุ๊บเดียวมันหมดแล้ะจิตไม่รวมมันต้องนั่งยาวไปเลยทั้งวันทั้งคืนน น, นั่งยืนนั่งนอนถลับกันไปหมดไปทั้งวันนี้มันโอกาสที่จะจิตจะสงบได้มันก็จะได้มากขึ้นนะก็ต้องยอมรับลิมิตเอชชั่นของเราว่า ต, ตอนนี้เรามีข้อจํากัดอย่างนี้ก็ทําทไปเท่าที่เราทําได้ไปก่อนอย่าไปอยาก ใ, ในสิ่งที่เรายัางทําไม่ได้ในความอยากตัวใหญ่ๆนี้เรายัางท้าทุ่มันไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เรายัางทุ่มมันไม่ได้อยู่ ก็พยายามฝืมันบ้างลดมันบ้างมันอยากก็ขอต่อรองมากครึ่งหนึ่งได้ไหมอ ย, อยากอยากยกริงแค่นี้อาแค่ครึ่งเดียวได้ไหมอขอต่อรองหน่อยมันยังยังเลิกไม่ได้เต็มร้อยก็ขอลดเลิกสักท่าสิบเปอร์เซ็นตได้ไหมทําร็วไหมทำทำได้อยู่ประมาณสองวันนะคะพะอาจารย์ <laughs> ก็ไปเวลาก็ยาฝึกไปเรืยดีกว่ไม่ได้ทาเลยดีก็ไม่ได้เลยทาไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้เพิ่มไปอก็จะพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนการสาเร็จอย่นั้นกุ้งเราไม่ได้สร้างสเร็จในวันเดียวอันนี้พาไม่ได้เสร็จในวันเดียวนะไม่ไม่ถอยค่ะก็จัดจะน้อมนำไปปฏิบัติค่ะ ค่ะก็จะไม่ไม่ได้คิดมากแล้วค่ะว่าแบบทําไมทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อยค่อยหยอดกระปุกไปทีละนิดทีละหน่อยเี่ยค่ะพอาจารย์แล้วค่ะพระอาจารย์ั้นหนูก็ไม่มีอะไรคําถามแล้วค่ะจะได้ไม่รบกวนคนอื่นด้วยเขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับค่ะสายดีคุณชายยันนิดคุณหน่อยกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลงไม่มีคําถามค่ะยังสิ้นเจ็ดอยู่นะไม่สิ <c oughs> ้นแต่อาจาขออภัยจริงๆค่ะยังสิ้เจ็ดอยู่เลย <c oughs> ไม่มีเลยเนอะเดี๋ยวถ้าสิ้นห้านะสิ้นเจ็ดเจ้าค่ะสิ้นเจ็ดอยู่แล้วโอเคเจ้าค่ะอย่างปีใหม่แล้วอะ <c oughs> ่ะถือว่า <c oughs> อาจารย์ต้องจําได้แน่เลยต้องทวกแน่ <c oughs> ยังดูซีรีส์อยู่เลยเจ้าค่ะห <c> ย <oughs> <c oughs> ดไม่ได้นะตัดไม่ได้นะ ปวดตามากเลยเจ้าค่ะแต่ก็โทูมันก็เรื่องน้ำเน่าแล้วนั้นนะ่ะเรื่องแข่งแย่งกิมดีกันสู้กันไปสู้กัน ม, มาเจ้าค่ะก็ก็ชอบถ้าค่ะดูติดตามกลางคืนไม่หลับไม่นอนด้วยนะเจ้าคะเราไม่สรุปว่าเดี๋ยวมันก็ตายหมด น, นะแก่เจ็บตายกันไปทั้งหมดอนะ่ะไม่มีใครอยู่รอดหรอกแต่ก็ยังดูก็งงสงสัยจะชอบดูการละเล่นเจ้าค่ะ ข้อเสียงข้อนี้น่าจะหนักอยู่กิเลสอันนี้น่าจะหนักอยู่เจ้าค่ะต้องคอยต้องอคอยอันนี้เรื่อยเจ้าค่ะต้องคอยน้อพอแบ่งรับแบ่งสู้หน่ยนะอยไมนายเขาดูแค่ครึ่งเดียวได้ไหมอันนี่ยหลังๆมาอย่างที่นายบอกพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าก็ก็ปิดนอนเลยเจ้าค่ะคก็คือว่าไม่ดูไม่อะไรเลยแต่ว่าคือก็ก็รีบนอนเลยเจ้าค่ะคก็ไม่อ๋อ อ่าเหมือนสัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์เคยให้กับอ่าอ่าเหมือนอุบายในการปฏิบัติะคะ่ะที่สวดมนต์พระอาจารย์บอกว่าให้นั่งสมาธิแล้วสวดมนต์ข้างในใจใช่ไหน่ก็ทำเจ้าค่ะแต่ว่าจะทําไมเวลาสวดในใจเหมือนสวดช้ากว่าตอนที่ไหน่อออกเสียงเนะะี่ยเจ้าค่ะไม่เป็นไรช้าก็ได้เลยก็ไดนะ้ขอให้ได้สวดไปก็แล้วกันแล้วทีนี้ก็เลยตั้งบัญญัติฐานไว้ว่าถ้าผิด ก็ให้เริ่มใหม่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วกลายเป็นว่ามีสติอะจ้ะาค่ะพระอาจารย์เพราะควรใจเองผิดอาจะเริ่มใหม่เพราะว่าถ้าส่วนนึั้นก็ ด, กดีจะได้รู้ว่าเราจะได้รู้ว่าเราเผลอเมื่อไหร่เผลอหรือม่เผลอค่ะก็รู้สึกตัวอีกทีก็ขาชาเจ้าค่ะก็เลยรู้สึกเลยก็คือว่าอ่าเหมือนกับส่วนมลจบอะเจ้าค่ะก็ไหนหก็ไม่แน่ใจประมาณครึ่งชัว่วโมงเจค่ะก็ะ ก็โอเคเลยจ้ะค่ะนายจะเอาอย่างเงี้ยที่พระอาจารย์บอกแล้วก็มันเหมือนมีสติมากขึ้นนะจ้าค่ะได้แบบเช็คสติตัวเองด้วยเพราะว่ากลัวผิดก็จะไปเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ประมาณนี้จ้ะค่ะพระอาจารย์ลองรักษาศิบแปดวันบ้างนอย่างนายวันพระก็อาทลวันก็ยังดีเนีสองวันนะจ้าคะอาทิตย์ละสองวันศิบเจ็ดเอาสิบเจ็ดวันสิบแปดวันก็ครับ จาขาดแล้วนจะลองต้องต้องทำให้ได้เจ้าค่ะปีนี้เราปากว่าจานแล้วก็ต้องโอเคมัน้ามันต้องส0บกว่าวันแล้วนะปีใหม่นะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะเอาเท่านี้ก่อนนะเ้าค่าไปที่คุณพานิสาจา์คุณพานิสาใช่ไหมพานิส <c oughs> าน้องข า, า, าจานน้องาว่าจารม์มจ้าค่ะ เออเสียงเสียงคุณคุณตายเลยใช่ไหมค่ะพระอาจารย์เอ่าเพื่าใครวันนี้ไม่มีคําสั่งนะคะพระอาจารย์ไม่มีอะไรเลยโอเคไม่มีค่ะเพราะว่าก็ยังยุ่งอยู่กับงานอยู่ครับอาจารย์ยังวุ่นวุ่นอยู่อแต่ไม่ได้ไปวัดแต่ก็พยายามรักษาใจว่าเออไม่ไปก็เรามีภาระก็ทําหน้าที่ของเราไปก่อนครับะอาจารย์โอเคนะคะได้ อย่าไปผิดศีลก็แล้วกันนะรักษาศีล้ยังปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังมียังมีศีลอยู่ตลอดเลยค่ะพระอาจารย์อิวลายาเมาเลิกเด็ดขาดนะเลิกเลิกแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคดีอโอเคไปที่คุณพันธกานยนคุณพันธการอยู่ที่ไหนธรรมาส ก, การค่ะพระอาจารย์อยู่ชนบุรีคะ่ะอาเภอเมืองคะ่ะทั้งแรกนะ ครั้งที่สี่ค่ะออ้สีแล้วค่ะมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีค่ะพระอาจารย์เข้ามาฟังธรรมค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังธรรมานาุติจ้าสาธุจ่่โอเคเดี๋ยวจอเราหายไปเดี๋ยวนุง่งขอไปอ่าทำยังไงไ เ, เดี๋ยวอขอไปนอเดี๋ยวนะ ไอ้เปคนต่อไปคุณคุณบอลน้องใช่คุณเซรินทานครับสซรินทานเอาเลยกลับกลับท่านท่านตานเจ้าค่ะวันนี้โยมก็ไม่มีค่ะไม่มาเข้ามาเลยลค่ะก็เข้ามาเหรอสบายดีค่ะไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นโควิดก็ที่อะไรยังเดี๋ยวคนขอหนกออนวูยังไม่เป็นค่ะยังไม่เคยเป็นเลยค่ะครอบครัวยังไม่ค่ะลูกก็ยังไม่เคยเป็นแต่ว่าก็ S 2> <S 2> เห็นว่ามันก็มันหนาวมากแล้วก็ทํางานก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ไม่พยายามเรียกทูกอาจารย์ก็ไม่มเป็นไรแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะโชคยังโชคดีอยู่ค่ะอันนี้อคนมากมากก็อาจจะผ่ระอาจารย์ทำไมมีอะไรเราไปต่อนะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ อ, อคนคนเปิดบัณฑิตาอาจารย์คุณหลังครับมาสการกับอาจารย์เอ่าทำงานสบายดีแล้ว บายดีครับแต่ก็มีปีนี้ก็เลยตั้งใจครับตั้งแต่แบบอพยายามทําบุญทุกวันแล้วก็ตอนเย็นก็สวดก็ตอนทอนสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิครับอาดารย์<อ>แต่วันศุกร์ที่ผ่านมาก็เหมือนไม่รู้มันมันน่าจะไลสติครับนอนตะแคงขวาแล้วก็ทับแขนขวาแล้วก็แขนเจ็บครับตื่นมาคือแขมนมันเหมือนมันโดนทับนานมครับมันเจ็บขึ้นมา<อ>น่าจะขาด<ต>สติมากเลยเดี๋ยวมันก็หายครับ เวลาหลับมันก็ไม่รู้เมืองเมืนกันครับังั้นก่อนจะหลับเราต้องดูท่าที่เรานอนกับมันโอเคไหมครับแต่คิดว่าปกตินอนแต่แขงซรายครับแต่ตื่นมาเอามันอยู่ท่าแตะแปงขวาแล้วก็แล้วก็พอยกมือมาก็เจ็บเลยครับแต่ก็ดีขึ้นแล้วครับอาจารย์วันนี้ก็ยังไปนวดถวายหลวงพ่อาลำกดได้อยู่ครับครับก็จะตั้งใจตั้นมาทุกวันพ้นนะที่ อนุนสาวรีย์ใช่ครับท่านจะมาเหมือนเทศที่พอดีมันมีลูกศิษย์ชื่อลุงชินครับเขานิ ม, มนต์ทุกวันอาทิตย์เลยไอ้ทุกวันพุธเลยครับแล้วก็วันศุกร์ตอนเย็นแต่ว่าวันพุธจะประจําอยู่ที่อนุสาวรีครับอแล้วก็ทํามาประมาณจะสิบปีแล้วครับผมเพิ่งมาได้รับใช้ท่านก็ปีสองปีนี่ครับโอเคครับไม่มีคำตันขอท่านนแข็งแรงนะครับพระอ<ด>าจารย์ ไปที่คุณไม่ได้พรีกครั้งคุณหญิยงยอมหญิงพูกสาวเลยอ่เอไปิดใหม่ได้ไหมอะเปิดหม่ดิค่ะ อ, าอ่ามายังไงมีอะไรบ้าปอา่าตอนนี้ก็ทำใจเรื่องลูกได้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะอา่าก็ก็คือก็เกิดมาแล้วเราก็แค่มองว่าอ่ะก็ยังโชคดีกว่าที่เขาเป็นอย่างอื่นมาแล้วมาอา่า ค่นนะเลยแบบ่พยายามมองในแง่ดีว่าเอาก็ยังดีกว่าเขาแบบป่วยเป็นโรคเลือดต่อหรือว่ามันเลงหรืออะไรที่มันที่มันรงกว่า น, นี้อที่มันยากกว่านี้อืนนอนนใช่ค่ะอันนี้ก็คืออ่ะเหมือนให้เขาอะได้มีสติตลอดเวลาที่เขาใช้ชีวิตเลยโลกนี้ก็จะแบบเตือนเขาวา่าอะไรเขาก็ต้องได้รับผลแบบที่เขาทำ อ, อะไรก็มองอีกแง่หนึ่งก็ฝึกให้เขาเป็นคนที่ให้เข้มแข็งแล้วก็โชคดีที่ครอบครัว แบบอบอุ่นก็คิดว่าเขาน่าจะน่าจะโอเคค่ะต้องฝึกมาทางธรรมต้อ ง, าางใช่้วก็คืออยากแล้วก็อยากให้เขาแบบเหมือนฝึกเข้ามาทางธรรมเพื่อให้เหมือนเป็นที่เหนี่ยวเขาด้วยเวลาเขาแบบพอ้ออะไรพอโลกดีมันก็จะอจูบริหารยากกับร่างกายเรากับร่างกายเรามันซับซ้อนก็เแล้วแม่ก็ได้รับประโยชน์ด้วยได้เห็นสัจธรรมความดีของที่แม่ก็แม่ก็ ก็ดีขึ้นค่ะชแล้วทําบุญเยอะแล้วค่ะพระอจารเหมือนได้ฉีดวัคซีนท่าเนี้เหมือนฉีดวัคซีนค่ะเยอะซื้ออะไรค่ะแต่ว่าไม่พอพอเป็นแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้แบบมามาพวกศึกษาทำสเวนใหญก็จะเป็นศึกษาโลกมากกว่าอืมก็ไม่เป็นไรก็วางเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันค่อยมาอันนี้มีงานอืต้องศึกษาก็ศึกษาไปก่อน มีอะไรจะถามหมถามไ ม, ไม่ไม่มีเขาสอนเขายังไงอะไรเ็ได้ถ้าเกิดตัวเราก็ไม่ยังไม่ยังไม่เคยมาทางนี้ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มเริ่มยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลริ่มเรียนวิธีว่าทําไงนั่งสมาธิทํำยังไงอือกสมาธิคืออะไรคือการควบคุมใจควบคุมความคิดไม่ให้คิดแอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่คิดก็คือต้องมี เยสิ่งยึดเหนียวจิตใจเช่นคําบาลีคำพุโทโธพุโทโธในการสวดมนต์เนี่ยรหัทสทํางสวดม น, มนต์หรือท่องพุโทโธพุโทโธแบบภายในใจมันก็จะมันก็จะห้ามใจไม่ให้ไปคิดเรื่องมือนได้ถ้านั่งเฉยเฉยนั่งเฉยพุโทโธไปเหนี่ยวใจก็สงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาง่ายๆไม่มีอะไร ย, ยุ่งยากลองทําดู เราจะมารายงานพระอาจารย์อืมโอเคนะขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุจ้ะใครต่อคุณจอยคุณจอยคุณจอยได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะเป็นไงสบายดีเพิ่งนี้ใส่บ้านไหมใส่บ้านค่ะ หนูนเตรียมของเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคดีเหมือนเดิมค่ะยังไม่มีอะไระคะ่ะรหนูน่าจะมาทุกเช้าค่ะโอเคดีอาตอนนี้นน ก, นะะนก่อนนะอ่ะอะไมาที่คุณทายาต่อคุณทายาวันนี้มีอะไรจะถามไหมครับมีครับมีในเรื่องการปฏิบัติ่นะครับออ่อาก็คือ ตอนนี้ก็เรียนได้ทราบก่อนมาในทางของสติปัฏฐานนะครับนี่คาถามขอผมก็คือว่าที่เขาเป็นด่านๆไปนะฮะสี่ด่านสีน่หมวดกายเวทนาจิตธรร ม, มถ้าเราจะฝึกนี่เราต้องผ่านเป็นด่านๆไปให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อย ค, อยคอยเยยิบคือสติปัฏฐานนี่สอนสามขั้นตอนขั้นตอนแรกให้ฝึกสติก่อนครับ ให้ใจมีอะไรยึดเหนี่ยวไม่ให้คิดปรุงแต่งทำใช้ร่างกายในวิยาบทสี่หรือในการทำต่างๆให้ใจเฝ้าดูอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอมีสติแล้วก็ให้มานั่งสมาธิให้ดูนั่งแล้วก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกอนาปนาสตินั่นจนงว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิแล้วชานาญแล้ว ถึงไปขั้นต่อไปคือขั้นปัญญาเรียนรู้เรียนรู้ธรรมชาติของร่างกายว่าร่างกายมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นตัวเราหรือไม่เป็นตัวเราเป็นของเราหรือไม่ใช่เป็นของเราเปันสุขหรือเป็นทุกข์ให้พิจารณาถ้าพิจารณามันก็จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเราไปยึดไปอยากให้มันเที่ยงของไม่เที่ยงแต่เราอยากให้มันเที่ยง ครับเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็รับทุกถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงเรืเองครับนี่ในในบทจะเรียกว่าบทหรือหมวดก็ไม่ทราบอนะครับที่พิจารณาเกี่ยวกับปฏิกูลเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยนะครับเช่นผมขนฟันเล็กหนังอันนี้เราควรจะพิจารณาได้ในเวลาไหนครับเวลากรรมฐานว่าทุกเวลา ก็ต้องแยกเป็นวิชาวิชาไปถ้าท่านต้องวิชานิจังก่อนไม่เที่ยงแก่เกิดแก่เจ็บตายโดยวยอมรับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ครับอันที่สองก็ดูว่าร่างกายมันไม่สวยไม่งามมีอาการสามสิบสองเพื่อจะได้ไปปราบความอยากกามอารมณ์ในการอารมณ์เวลาเกิดการอารมณ์ถ้าเราเห็นอาการสามสิบสองของร่างกายความอยากมันก็จะหายไปครับอ ในในการพิจารณาเนี่ยเราเอา่าผมไม่แน่ใจว่าควรจะพิจารณาตอนนั่งกรรมฐานหรือว่านั่งตอนนั่งากสมาธิแล้วครับก็<อ><น>สมาธิไม่ไม่ไม่ไม่พิจารณามันทำ<อ>สมาธิต้องการทําใจให้สงบครับทัน<ม>นี้ในแต่ละเรื่องนี่เราก็ใช้ผมก็ใช้จินตนาการได้ใช่ไหมครับเช่นผมกำลังจะพิจารณาเรื่องผมเลือกขนผมก็พิจารณาก็ใช้จินตนาการแล้วว่าแยกส่วนมันออกมา มันก็ต้องเป็นไปตามความเป็นจริงนะครับเช่นตเราก็ไปเปิดหนังสือดูเป็นตัวอย่างก่อนอ๋อไปดูรูปก่อนใช่ไหมไดูรูปก่อนแล้วก็มานึกมาท่องให้มันจําจดจําอยู่ในใจเราครับเลวลาเราเห็นร่างกายของของคนสวยคนด่ อ, อแล้วก็ให้นึกถึงอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเขาอ๋อก็คือเวลานั่งกรรมฐานก็ไม่ควรจะคิดเรื่องนี้ น, น, น, นั่งก็นั่งไปเป็นเรื่องลงไป เวลาเอาจากกรรมฐานแล้วเวลาออกจากการนั่งแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คิดได้ตลอดเวลาอ๋อครับผมรับได้ครับแต่ผมต้องฝึกวิชานี้ก่อน<ด>เป็นดันน ไ, ไปดัน <ไป S 1> ดันไป <ผม S 1> เอาสติให้ได้ก่อนได้สติแล้วไปนั่งสมาธิให้จิตรวมปเป็นอัปปนาสมาธิก่อนครับก็บนี่คำถามสุดท้ายนะครับผมมีความรู้สึ ก, กจะเรียกอะไรรื่อเพลินก็ะเดื่เพลนนนินกับการดูอริยบทที่ให้รู้ชัด รู้สึกตัวอะไรเนี่ยนะครับตามแนวของสติปัฏฐานนะนะครับผมรู้สึกมีความเพลิดเพลินอันนี้ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ผิดไหมครับถ้าแบม่ถ้ามชมันเพลิดเพลินแบบถ้ามันไม่คิดอะไรก็ก็ใช้ได้ไม่ให้ไม่ให้ความไม่ให้มีความคิดให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายในในในเวลาเช่นนั้นนะครับมันเหมือนกับมีความสุขลึกๆใช่มันมันเริ่มมีความสงบขึ้นแล้วไง อเราไม่คิดใจก็จะเบาลงสงบขึ้นโอแต่ยังไม่สงบเต็มที่อยากสงบเต็มที่ต้องนั่งหลับตาแล้วก็ดูงมต่อโอครับผมครับผมครับจะได้ฝึกปฏิบัติต่อไปเพราะคุณครับเอาสองขั้นนี้ให้ได้ก่อนสติกับสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปขั้นปัญญาต่อไปครับผมครับผมขอบคุณครับโอเคนะใช่เอาไปคุณเชียวมิเมื่อกี้เห็นหลับอยู่ตอนนี้ตื่นแล้วอะ เดี๋ยวลองดูนะยังหลับอยู่แลวอ่าตื่นแล้วครับตื่นแล้วตแล้วอ่ากูิงใช่ไหมอ่าช่ครับอนเมื่อกี้หลับเลยเร็วไม่ได้ยินเลยฟังใคอยู่ค่ะผูจารย์เมื่อกี้ว่าตอนแรกๆอ่ะงึนั่งไปฟังไปด้วยก็ที่ไปตํางงานเยอะค่ะผจารย์ก็ก็ไม่ไม่คือมีห่ะผู้จารย์ ประเดีวเมื่อวานสองสองสองวันไปงานใช่ไหมคะหาหาที่ปดับมาที่จริงตัวเองมีเยอะทีนี้ก็หาไม่เจอก็ไปซื้อใหม่ก็ก็มาเอ๊ะเรามานั่งคิดป้าของเราทำไมมีเยอะดึงลิ้นชักออกมาเร้วมานั่งตกใจตกใจที่นิสเซอรี่ทำไมมันเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นหน้อย 100, 200, ร้อยสองร้อยสามร้อยเราก็มานั่งคิดถึงคำที่แพะอาจาร์พูดหูก็มีสองหู พอก็มีคอเดียวใส่สร้อยทําไมมันเยอะขนาดนี้เป็นร้อยเลยครับพระอาจารย์หนูนั่งตาซึมเลยแบบ อ, อนี่ิเล์เราเหรอความอยากความอะไรของเราทมมําป็เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครั่ะาาอาจารย์แล้วก็ไปซื้อซิปล็อกมาแล้วก็มานั่งเก็บมานั่งพิจรารณาบอกว่าอ๋อสงสัยคงจะต้องเอาออกไปไปขายละอะไรอย่างเงี้ย เอเอาไปขายเอาไปบริจาคเอาไปบราคเอาไ ป, ไป า, าลแล้วก็เออเอาไปให้คนอื่นทีนี้พอเมือ่อกี้เนี่ยน้องสาวมาชุดเสื้อผ้าที่เคยตัดไม่ได้ใส่เป็นชุดใหม่หรือชุดอะไรก็ให้เขาเป็นอัาวันครูพอดีว่าวันครูตัวเองก็ไม่ค่อยได้ใส่อะคะ่ะช่วงนี้ก็ออกมาพิเศษก็เลยให้เขาค่ะก็เลยให อยากปะยอย่ออกไปตัดใจอกปตัดใจแบบให้เลยนอ้องว่าเอ้าให้เหลอดีออใจมากเลยใหุ้ดยังไม่ได้ใส่แ ล, แล้วเราเกิดความสุขใจมากกว่าเก็บมันไว้อ่าพระอาจารย์หนูก็เลยรู้สึกอ๋อโล่งสบายใจแล้วก็บอกว่าโอ้พอแล้วแค่นี้แบบทำไมถึงถึงได้แบบคือมันอยากขนาดนี้หรือว่ามันมีกิเลสมากมายขนาดนี้ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ แล้วนั่งดูไปเป็นกองๆเลยนะคะเยอะมากมันมาทีละตัวมันมาเอาทีละเส้นสองเส้นมันไม่ได้มาทีเอาเยอะแยะหลอกแต่พอเวลาผ่านไปโอ้โหมันกลายเป็นกองภูเขาขึ้นมาไม่ค่ะพอซื้อมาแล้วเราก็มาเป็นธาตุมันหรออ๋อหนูก็คิดก็ผู้จารว่าอา๋อต้องมาเก็บแล้วมาเป็นธาตุแล้วก็เอามาเพื่อที่จะมารักษาอะไรไว้แล้วก็านั่งคิดว่าปายไงเขาก็คงมาบอกว่า โอ้โหทำอะไรไว้อะไรประมาณประมาณนี้เยอะแยะจังเลย mm hmm. อือหนูก็เลยมองเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็นั่งแบบน้ำตาซึมแล้วก็นั่งเก็บทยอยทยอยเอาลงลิ้นชักเก็บใส่1ิล็อกไว้แล้วก็อ่าเดี๋ยวให้ใครที่อยากเนี่ยอยากได้ก็จะใครให้ทยอยออกไปอะคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็พอกระโดนงเนี้ยพอพอพคยว่า พ, พ, พ, พอละไม่ไม่อะไรละทำไม mm hmm. ถึง เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ีน้ให้มีเท่านที่จำเป็นจะต้องมีก็พอส่วนที้วก็ระบายออกไปทำให้ได้ความสุขมากกว่าเก็บมันเอาไว้ค่ะพระอาจารย์ดีค่ะที่หนูได้เจอแบบสิ่งสิ่งนี้มันทําให้เราเรารู้ว่าโอ้พราความอยากความอะไรของเราเนี่ยมันมันเยอะอะค่ะพระอาจารย์ดูดูสอบดูของต่างๆที่เราไม่อยู่ มันมากเกินไปหรือเปล่ามากกันไปก็เอาไประบายมันออกไปอ่พาพระอาจารย์เยอะมากจริงๆครับพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าความอยากกิเลสของหนูเนี่ยบอกว่าโอ้มันเยอะจริงๆเลยบาง mm hmm. ทียังไม่ได้ไหนก็ซื้อมาอีกละเอามาอีละ mm hmm. อะไรอย่างเงี้พยพรงอาจาราย์เพราะอะไรสวยถูกใจหนูก็อยากได้ขึ้นมาแล้วใช่ครับพระอาจารย์ mm hmm. เวลาซื้อเนี่ยก็เลยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันเกิด ขึ้นปัญหามเกิดขึ้นก็มาจากตัวเรานี่แหละหนูก็คิดอย่างนี้ยครับพระอาจารย์ม่มสติพอไม่รู้ทันความอยากค่าพระอาจารย์หนูก็เลยกว่าอ๋ออันนี้ความอยากลากไปเพราะว่ากิเลสของตัวเองยังเยอะอยู่อะค่ะพระอาจารย์แ ต, แต่ก็บางน้อยมันน้อยสันโดยนะเท่าที่จะเป็นในเท่าที่จะเป็นแลพออ่าพระอาจารย์ก็จะพยายามคือลดลดล ด, ลดลงมาให้ให้ได้เยอะแเพราะว่ า, วา รู้มาเป็นชาสเขาอีกอะไรอย่างานี้ค่ะซื้อมาจะมาเก็บมาอะไรอย่างนี้อีกค่ะอันนี้มาดูข้อสอบว่าเราจะระบายไปได้มากน้อยเท่าไหร่ล้วจะให้เข้าไปได้มากน้อยเท่ า, หาไหรไ่ไ ม, ไม่ไม่คิดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วตอนนี้แล้วก็คือว่าหนูก็คือเอาให้เมื่อกี้น้องก็มาไปเป็นชุดปู่ก็เอาไปเอาไปเลยก็อเอ้ายังไม่ยังไม่ได้ใส่เอาไปเหอะก็ไม่เป็นไรค่ะพระาอาจารย์หนูก็เลยทยอยไปก็รู้สึกสบายใจอะไรขึ้นค่ะอเใช่ไหม ตอนนี้หมล้เวลาใกล้จะหมดนะกล่าวพรอาจารย์ค่ะกลาวพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ค่ะไปที่อาจารย์มณิดาเช่นอาจารย์เพิ่งเข้ามาห้างแรกเลยอาจารย์พูดหน้อยเลยกล่าวนวัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูตามดูทางเฟซบุ๊กตลอดค่ะแต่ว่าไม่เคยมาในเวลาสดๆดแบบนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะมีคำถามอะไรไหม ก็ในช่วงแรกยังไม่มีค่ะเพราะว่าตามปฏิบัติโดยตลอดเวลาแล้วก็ทั้งวัดเช้าวัดเย็นก็พยายามสวดทุกวันนั่งสมาธิตลอดค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ก็ยังมีบ้างที่มีอารมณ์กับอ่าเพื่อนในที่ทํางานที่เขาทําร้ายเราอะไรอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะยังวาง ไ, ไม่ได้อ่าเราก็ต้องมองว่าเขาเป็นเหมือนดินน้ําลมไฟเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ค่ะคนจะดีคนจะร้ายกับ เ, เราเราหา้ามาไม่ได้ แต่เรามีเราห้ามใจเราไม่ให้ไปทุกข์กับเขาได้ถ้าเรายอมรับความจริงว่าคนเราไม่ทั้งดีทั้งไม่ดีคนที่เขาจะเอาทำทำร้ายเราก็มีคนที่เขาจะช่วยเราก็มีแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงอังนนี้แล้วเราก็จะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่กราบค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, คะอานาตตาทุกอย่างเป็นอนาตตาเหมือนดินฟ้าอากาศกราบค่ะพระอาจารย์ โอเคฝึ okay. กสติฝึกสมาธิรักยามใจยามมีกําลังที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไม่ยังไม่สะทกสะทา้านไม่เดือดร้อนโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคงานทำนี้ก่อนนะค่ะพระอาจารย์อคุณนะคุณนอบ้านบุญคุณนอบ้านบุญเชิญอยู่ที่ไดเห็นไหม น้น้อบ้านบุญเหมือนนั่งอยู่นะโอ่คเชิญปิดบัดทาได้ไหมอโอเคพูดได้เลยเชิญพูดได้นะนมาสการค่ ะ, ะมีอะไรไหมค่ะเออสั้นๆนั่งตรงนั้นแหละนั่งตรงนั้นหลน อ, อ่ค่ะนมาสการค่ะเออเป็นยังไง อรัก็ดีครับผอวันนี้ไม่ได้มาวัดนเลยนะไม่เคยว่างไม่เคยว่างเลยไม่เป็นไร<ช>ตั้งใจเรียนนักเสียงแล้วกันน ะ, อะโอเคน้องน้องชายนอนแล้วเหรอน้องชายนอนแล้วครับเมื่อกี้เห็นว่าเมื่อกี้เห็นอยู่พักนึ่งพักหนึ่งคะ่ะ ค่ะไปซ้อมซ้อมเทนนิสมาค่ะพระอาจารย์แล้วก็อาทิตย์นี้มีแข่งค่ะก็เลยก็เลยได้ขึ้นไปพักแล้วค่ะโอเคดีคุณแม่มีอะไรจะถามไหมไม่มีค่ะแล้วแต่พระอาจารย์จะชี้แนะเลยค่ะก็ขยันทาบุญรักษาศีลภาวนาน ะ, ะอธิบัติไปแล้วจิตใจจะสุขขึ้นสบายขึ้นน ะ, อะโอเคนะเอาท่านที่ก่อนนะค่ะขอบพระคุณค่ะ อเคอันนี้ก็เลยเวลาสำหรับผู้ที่ถามมาทางบ้านบางยันคนหลามีอะไรก็ว่ามาหลับนมัศการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดหกคำถามเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งจากคุณต้นถ้าโดนคนอื่นไหมจะเอาชีวิตตลอดเวลาควรทำเช่นไรถ้าพวกเขาทำสำเร็จครับก็ตายแล้วจงถ้าทำสำเร็จแล้วก็ต้องตายนี่ เขาไม่ทำเราเราก็ต้องตายอยู่ดีคิดอย่างนี้เราว่ามีผลเท่ากันเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายด้วยกันทั้งจะตายด้วยคนอื่นหรือจะตายด้วยตัวมันเองมันก็ต้องตายเหมือนกันงั้นเราต้องยอมรับความตายให้ได้ถ้าเรายอมรับความตายให้ได้เราจะตายในรูปแบบไห น, นก็ไม่สําคัญใจจะไม่เดือดร้อนใจจะไม่ทุกข์คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีทั้งหมดสองคำถามเจ้าคะ่ะ กรับนมัสการพระอาจารย์ครับคำถามที่หนึ่งเมื่อก่อนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีความสุขกับชีวิตเพราะเห็นทุกอย่างในโลกมีแต่ความไม่เที่ยงและณวันนี้เบื่อหน่ายและทุกข์ที่จะต้องมาดูแลร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจนรู้สึกเหนื่อยและเริ่มเกิดความคิดว่าช่างมันเดี๋ยวถึงวันหนึ่งก็ต้องตาย และตั้งความเพียรนั่งสมาธิต่ตอไปการที่ผมมีความรู้สึกดังที่กล่าวมาเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับและควรจะปรับเปลี่ยนความคิดและการปฏิบัติอย่างไรครับคือเราไปคิดเรื่องความตายมากเกินไปใจเรายังไม่พร้อมที่จะรับความตายได้เราต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นก่อนให้จิตสงบให้จิตมีความสุขมีความสบายใจ แล้วพอมองเรื่องของความตายมันก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนะเพรั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องความตายให้มากเนไปพยายามหยุดหยุดคิดมาทําจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิก่อนถ้าจิตมีสมาธิแล้วจะเวลาคิดถึงความตายจะไม่ทุกข์จรู้ความรู้สึกสบายใจว่าตัว อ, อย่างมันจะต้องไม่นวางสิ้นสุดลงก็จะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายอื คำถาที่สองระหว่างวันผมพยายามระลึกอยู่บ่อยๆว่าสักวันหนึ่งต้องตายสักวันหนึ่งต้องตายจะช่วยให้ใจมีอุเบกขาไหมครับและมีวิธีอื่นอีกไหมครับที่จะช่วยทําให้ใจมีอุเบกขานอกจากการนั่งสมาธิครับกราบขอบพระคุณครับอ๋อถ้าไม่เข้าสมาธิมันอุเบกขาเหมือนเกได้ยากเกิดในน้อย เราพยายามฝึกสติเพื่อให้ได้นั่งสมาธิกันถ้าเราไปคิดถึงความตายแล้วมันทำให้ใจเราเศร้าเราก็อย่าเพิ่งไปคิดเลยแสดงว่าใจเรายังไม่พร้อมที่จะรับยาหรือว่ญยาทางปัญญานี้ได้ก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธแทนไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องความตายเาคิดใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแทน แล้วนั่งสมาธิต้องพุโทโธพุโทโธไปจนกว่าจิตจะสงบเงย็นสบายแล้วแล้วออกจากสมาธิมาต่อไปลราคิดถึงความลายแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ใจเจะยอมรับความตายได้มีสองคำถามจากคุณสุทัศน์คำถามที่หนึ่งสุทุทัสสังสุนิปุนังยัตถะ ก, กามนิปาตินังน้อมกราบสาธุครับพระอาจารย์ บางครั้งลูกชอบหลงอารมณ์นี่ง่ายๆบ่อยครั้งแก้ไม่หายสักทีต้องทำอย่างไรครับน้อมกราบสาธุครับไม่ทราบว่าบทที่คุณสวดมามันแปลว่าอะไรเราไม่รู้จะตอบอยังไงดีก็ต้องพูดเป็นภาษาไทยที่จะเข้าใจหมอพายด้วยความที่สอง หลังจากออกสมาธิชั่วโมงสองชั่วโมงโปวดเขา่าขอคําแนะนําครับก็ให้รู้วนปวดรู้ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายแล้วห้ามมันไม่ได้เวลามันจะปวดมันก็ปวดเดี๋ยวเวลามันจะหายมันก็หายเองอห้รู้เฉยๆเราอย่าไปวุ่นวายไปกับมันะคำถามสุดท้ายจากคุณปอสอบถามค่ะพระอาจารย์ ถ้าเราพูดถึงบุคคลอื่นบุคคลที่สามให้คู่สนทนาเราฟังในเชิงว่าเป็นที่มาของปัญหาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของงานเราในอนาคตข้างหน้าแบบนี้ถือเป็นการพูดส่อเสียดผู้อื่นหรือไม่คะและผิดศีลข้อสี่ไหมคะน้าเป็นพูดในเชิงวิชาการก็ไม่ผิดแต่พูดพูดในเชิงในการํำเนียบดีเทียน อยกตนขมท่านอย่างนี้ก็เป็นการทําการพูดที่ไม่ควร่าพูดอ ย, อยู่ที่ว่าเราพูดเพื่อเป็นเป็นเชิงวิชาการหรือเปล่าเป็นการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ชี้เหตุชี้ผลอย่างนี้ก็พูดได้ถ้าถ้าให้ดีถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปเอ่ยนามก็ได้อย่าไปเอ่ยอย่าไปใช้ชื่อเขาเป็นในบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็ว่าไป โอเคเวคลานะถ้าหมดแล้วเวลา ก, ก็หมดพอดีสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนมองสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเ อ, อสาธุเจ้าค่ะ